ตอจากนี้ไปเป็นการอรมธรรชาเรื่องไตรรักโดยพระท่านสวนาโพธิรักเมื่อวันที่13เมษายน2523ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านตติตามฟังได้นะบัดนี้ วันนี้ที่จะพูดถึงเรื่องไตรลักษณ์ที่ชอบพูดกันง่ายดายนี่ก็เพราะเหตุว่ามันได้รับความจะเรียกว่ามันไม่ใช่ความประทับใจอ่ะเป็นความทิมใจนะตัวอาตมาเองนี่ได้รับความทิ่มใจมานานแล้วถึงเรื่องไตรลักษณ์เขาชอบพูดกันเหลือเกินพวกชั้นปฐมชั้นมูลกอขี้ไก่เนี่ยชอบพูดจังโอ้โหประเดี๋ยวก็ไตรลักษณ์มองลูกน้าขันน่ายเป็นไตรลักษณ์ เห็นใจรักษโอ้โหเห็นใจรักคำว่าเห็นนี่นะภาษาบาลีท่านเรียกว่ายานหรือปัดสีจะพบอัจฉริยะนุปัดสีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายไปแล้วก็จะเจอมันไม่ใช่ของ ง, ง่ายๆเลยจะพบอัจฉริยะนุปัดสีมันต้องเรียนรู้ไปจนกระทั่งถึงขั้นเกิดญานเกิดปัดสโตชาณาโตปัดสโตเกิดอะไรไปจนกระทั่งถึงอะไรแต่ลายถึงจะเห็น นี่เพราะอ่านหนังสือเป็นแจ้งแล้วใจรักไปนั่งหลับตาเข้าไปเดียวแจ้งแล้วใจรักโธมมาทำไมมันถึงได้หมูสามชั้นถึงป่านนั้นมันไม่หมูนะมันกระดูกนะกว่าจะพบใจรักเนี่ยมันกระดูกนะเพราะงั้นเรื่องนี้อาตมาก็ได้พยายามหลาย นานแล้วอดใจฟังเขาว่าเขาอะไรมานานจนอาตมาเองอาตมาก็เอ๊จะพูดอย่างไรเนาะจะทําอย่างไรจะให้เขาเข้าใจอันนี้ได้อาตมาพยายามพูดพยายามคลี่คลายพยายามเขียนมันก็รู้สึกยังไม่แจ้งไม่จางไม่ไม่ไม่เ น, นี่ยนักเนี่ยอาตมาไปเปิดดูในทางเอกภาคหนึ่งนะซึ่งก็เป็นเรื่องของคัมภีที่อาตมาได้เขียนเอาไว้ในภาคหนึ่งก็ได้เริ่ม เรื่องเหล่านี้ไว้นะโดยอาตมาจับเนื้อหาสาระออกมาจากาสังยุตติกายสรยตนวัตพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดชัดเจนมากอยู่ในนียเรียงไว้เลยในข้อที่254ร้อข้อ200ที่55สข้อ200ที่56สามข้อเรียงกัน ชื่อสูตรว่ามิตรชาทิฏฐิสูตรส ก, กายทิฏฐิสูตรและอัตตานุทิฏฐิสูตรสามสูตรนี้ถ้าเข้าใจถ้ารู้ไตรลักษณ์แล้วอ่านสามสูตรนี้สว่างเลยอาจจะบรรลุธรรมเป็นอรหัตผลผู้ที่ถึงไตรลักษณ์ถึงอนัตตาอนัตตาคือความเป็นอรหัตผล ผู้ที่เกิดสภาวะอนัตตาถึงอนัตตานั้นคือผู้ที่มีสุญญภาพคุณมีสุญญตาคนมีนิพนนาพานคนมีวิมุตตไม่ใช่หมคราบว่าเข้าใจความหมายคำว่าอนัตตาโดยภาษาโดยความนึกคิดแล้วก็จะเป็นผู้ที่เห็นอนัตตาหรือว่าเป็นผู้ที่เห็นใจลักเป็นผู้ที่รู้ใจลักตาเลยเปล่าเล ย, เลยโนเลยไม่ใช่เลยเรื่อง เล่านี้มันไม่ใช่เรื่องภาษาพูดมันเป็นเรื่องของสภาวธรรมมันเป็นเรื่องของธรรมะที่จะต้องเกิดจริงมีจริงเป็นจริงนะยังนักศึกษาทางภาษาเนี่ยมีปัญญาเนี่ยชอบกล่าวชอบพูดโอ้จะต้องรู้จักรูปนามขันห้าเป็นไตรลักษ์ต้องเห็นรูปนามขันห้าเป็นไตรลักษณ์ไอเห็นรูปนามนี่นะจะต้องรู้แม่รูปนามจริงๆ และรูปนามที่เห็นนี่คืออะไรคือรูปของจิตและนามของจิตขึ้นไปไอ้รูปของกายรูปของไอ้วัตถุรูปของดินน้าไฟลมเนี่ยมันไม่ประสีภาษาอะไรหรอกอ่ามันไม่ประสีภาษาอะไรหรอกทุกมันไม่ได้อยู่ที่รูปของดินน้าไฟลม ทุกมันไม่ได้อยู่ที่นี่ทุกมันอยู่ที่ตัวทุกตัวสุขตัวที่จะแก้อริยศาสตร์ตัวที่จะเป็นอริยศาสตร์มันอยู่ที่จิตจิตเจตสิครูปนิพพานนี่เป็นปรมาจารย์รูปคำนี้ไม่ใช่รูปดินน้ำไฟลมรูปคำนี้เป็นรูปประจิตหรืออรูปประจิตเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นอย่างนี้ต้องเป็นผู้ที่มีฌานมีฌานถึงจะรู้รูปประจิตอรูปประจิตมีฌานแล้วก็จับรูปประจิตอรูปประจิต จึงจะเห็นไตรลักษณ์เป็นนั่งหลับตาว่าจะเห็นไตรลักษณ์แล้วก็ไปนั่งพูดกันพวกสายหลับตาก็บอกโอ้ยนั่งหลับตาแล้วก็เห็นรูปนามเกิดดับเห็นพระไตรลักษณ์เกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่อะไรพระไตรลักษณ์ยังไงรูปนามยังไงเขาก็พูดไม่ออกเห็นต้องเห็นเองเป็นเองเขาก็ว่าไปเป็นรูปปั้นรูปแสงรูปสีไตรลักษณ์เกิดดับเป็นความเกิดที่เป็นการ สร้างจินตนาภาพสร้างมโนโมยอัตกาขึ้นแล้วก็สมมติอันหนึ่งแล้วว่ามันเกิดมาดักโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเองเอามาบอกคนอื่นบอกไม่ถูกเอาภาษามาบอกประกอบบ้างพูดไม่ออกอาตมาก็เห็นใจเหมือนกันในคนที่พูดไอ้เรื่องที่มันไม่มีไม่มีเรื่องตัวตนสมมติเองเนี่ยมาให้คนอื่นฟังเนี่ยมันไม่ออกหรอกเพราะอาตมาแม่รู้สัจธรรม อาตมาก็ยังพูดสู่พวกคุณฟังนี่ก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราอธิบายเขาไม่เข้าใจสักทีมาอ่านดูก็บอกว่าเออก็มันก็ชัดนะมาทวนด้วยในทางเอกนี่เอ๊ะเราก็พูดเก่งจะตายอธิบายไว้ก็ชัดชัดแต่ทําไมคนมันไม่รู้นี่ก็หนังสือก็ออกมาก็นานบรรยายไปก็หลายเที่ยวเราก็พูดผ่านตอนนี้อาตมามันมาแน่ใจแล้วมันมามั่นใจว่าเกิดนิรุติปฏิสัมพิทายาน เกิดความมั่นใจในเรื่องของสัมพิธายาในด้านตัวภาษานี่บออาตมาฟังหลายคารมมาเนี่ยหลายเที่ยวแล้วแน่ละคราวนี้จะต้องพูดให้รู้เรื่องให้ได้อธิบายแม้แต่คนธรรมดาอาตมาที่าอนี้อยากจะพิสูจน์ดู่าว่าแต่พวกเรานี่จะฟังอ น, นิจจังทุกครั้งอนัตตาออกวันนี้พวกคุณเนี่ยคารวะเนี่ยจะฟังอนิจนนจังทุกขังอนัตตาออกแน่ๆอาตมาจะขอเริ่ม ด้วยหลักฐานง่ายๆพวกเราเนี่ยได้ปฏิบัติทํากันมาได้อะไรๆกันมาพอสมควรค่อยๆไล่ไล่ไปเรื่อยๆฟังไปดีๆนะอาตมาจะเล่าตั้งแต่ต่ำๆจะพูดโยงใยตั้งแต่ลักษณะต่ําเริ่มต้นตั้งแต่อบายยมุขผู้ที่เอาขออ่านสูตรให้ฟังก่อนนะอ่านสูตรให้ฟังดีๆนะแล้วเดี๋ยวอาตมาอ่านสูตรนี่เป็นเป็นเป็นตัว เ, เป็นตัวแม่บทก่อน พออ่านสูตรนี่เป็นแม่บทแล้วคนเดียวอาตมาจะอธิบายแล้วอาตมาจะอ้างถึงอ้างถึงแม่บทเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็สบายนะฟังดีๆครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไร จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ดูไปเพลางจึงจะละมิจฉาทิฏฐิอะไรเนี่ยจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้พระผู้มีมพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุบุคคลรู้เห็นจักสุแลโดยความเป็นของไม่เที่ยงคําว่าเป็นของไม่เที่ยงนี่คืออั น, นิจจังไม่จริงไม่เที่ยงนีน่อั น, นิจจัง คือตัวนี้อาบุกก็บุคคลรู้เห็นจักรสุแลโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้รู้เห็นรูปด้วยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้รู้เห็นจักรสุวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยง เขาว่าเป็นของไม่เที่ยงนี่ทีไรแล้เห็นนึกถึงคำอนิจจังทุกทีนะหมายกับว่าเป็นสิ่งเป็นเป็นอนิจจังนี่แหละแต่เขาแปลคำอนิจจังมานะโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้รู้เห็นจักรสุสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้รู้เห็นแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออัตุขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักรสุสัมผัส เป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้ต่อมาก็บรรลุบุคคลผู้รู้เห็นหูรู้เห็นเสียงนี่ไล่มาด้วยแล้วก็รู้เห็นจมูกรู้เห็นกลิ่นรู้เห็นลิ้นและรู้เห็นรสรสรู้เห็นกายและรู้เห็นสัมผัสกายรู้เห็นใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงคือมันเหมือนกันหมดนะทุกทวารทวารทั้งหเนี่ยนะ เป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้รู้เห็นธรรมารมณ์โดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้รู้เห็นมโนวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้รู้เห็นมโนสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้รู้เห็นสุขเวทนาะทุกขเวทนาะหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้ดูกระภิกษุเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จึงจะละมิจฉาทิฐิได้อันนี้สูตรที่หนึ่งมุคมิจฉาทิฐิสูตรที่สองสักกายทิฐิสักกายะทิฏฐิก็เหมือนกันหมดแตกต่างกันอยู่แต่ว่ารู้เห็นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นของไม่เที่ยงเหมือนอย่างเมื่อกี้ ทุกอันต่างกันอยู่ตรงนี้เท่านั้นต่างกันอยู่ว่ารู้เห็นเป็นทุกจึงจละสักกายทิฐิได้เริ่มต้นเห็นอริยาาสัจตอนนี้เองเผู้ใดเห็นอริยาาสัจคือผู้นั้นเห็นทุกเพราะฉะนั้นจะเป็นอริยาาสัจจะเป็นอริยะเนี่ยอริยะบุคคลหรืออริยาาสัจจังตรงนี้อริยาาสัจเนี่ยจะเห็นกันตรงนี้จะเป็นภาคกลาง ภาคต้นนี่ยังไม่นับถือว่าเป็นอริยสัจแท้เป็นแต่เพียงญาณปัญญาบางคนอาจจะมีปัญญามากเข้าใจได้เฉยๆแต่ยังไม่ถึงขนาดเห็นทุกข์ซึ่งเป็นความทนได้ยากเป็นความที่จะต้องหาทางออกผู้ใดรู้สึกว่าทนได้ยากจะหาทางออกผู้นั้นเรียกว่าอริยบุคคลผู้ใดเห็นเข้าใจด้วยปัญญาด้วยญาณเฉยๆว่ามันเป็นทุกข์เอ้ยมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของจริงรู้ว่ามันไม่ใช่ของจริง เช่นเห็นความสุขว่าไม่ใช่ของจริงเห็นควา ม, ามไปรสอร่อยไปใช่ของจริงอะไรนี่ปัญญาอาจจะคํานวณเดาดลเดาได้แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นเกิดอาการว่าแหมอันนี้มันเป็นทุกข์เราจึงต้องหาทางดิ้นดนออกหรือว่าเรามันเป็นทุกข์เห็นชัดจริงๆแล้วเราก็ไปหาศีลหาพระมาปฏิบัติเพื่อที่จะพ้นทุกข์ถ้าผู้ใด ย, ยังไม่ถึงขั้นนี้ยังไม่เกิดอริยสัจ ยังไม่เริ่มต้นจะเป็นอริยะบุคคลยังไม่พยายามจะทาลายเอกเลชจึงไม่เรียกอริยะบุคคลเมื่อผู้ใดเริ่มต้นเห็นแล้วก็ทำจริงทาจริงจนจางคลายเบาบางอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีวิราคาแปลว่าจางคลายจางคลา ย, ล ง, า ล, ายาลงจางคลายลงจนกระทั่งถึงวิราคานุปัสสีจนนิโรทานุปัสสีดับได้เห็นปัสสีนี่เห็นความดับ เห็นทุกดับเห็นกิเลสดับเห็นความไม่ไม่ไอเปหลงว่าเป็นตัวตนนั้นหายไปดับไปเลยจนดับจริงๆเรียกว่ามันไม่เป็นตัวตนเรียกว่าอนัตตามันไม่เป็นแล้วตัวตนดับได้จึงจะเรียกว่าผลวิมุตต์หรือผลอรหัตผลหรือเป็นผลที่แท้ความมีตัวตนนั้นดับไปจริงๆความมีตัวตนนั้นดับไปจริงๆนะความเป็นรสของรถของโลกโลกนั้นดับไปจริงๆ ยังไม่ใช่เรื่องนั่งคิดเอาเข้าใจอ่านว่าอ๋ออนัตตาปแปลว่าความไม่มีตัวตนเฮ้ยไม่มีตัวตนนะทีนี้ไปถึงสูตรที่สามนี่อัตตานุทิทิสูตรเนี่ยมีข้อความเหมือนกันหมดกับมิชาทิทิสูตรกับสั ก, กายยะทิทิสูตรสูตรต่างกันอยู่ที่ว่าเมื่อเห็นรูปก็ดีหรือเห็นเห็นจกักรสุแล้วก็เห็นจักรสุสัมผัสหรือเห็นรูปเห็นจกักรสุแล้วก็เห็นรูปโดยความเป็นอนัตตาต่างกันอยู่ตรงนี้ อัตตาณุทิฏฐิเนี่ยอันแรกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยโดยความเป็นอนิจจังหรือรโดยความเป็นของไม่เที่ยงของไม่จริงตอนสองมานี่โดยความเป็นทุกข์ตอนสามมาโดยความเป็นอนัตตาเมื่อโดยเห็นโดยความเป็นอ น, นัตตามันเห็นเลยนะเห็นโดยความเป็นของไม่มีจริงๆไม่ใช่เห็นโดยความเข้าใจแต่ว่าเห็นว่าอารมณ์จิตของเรานี่มันเสพอร่อยเห็นอ่ รมเสพนั้นหมดตัวตนไปจริงๆไม่มีอารมณ์เสพนั้นจริงๆจึงจะเรียกว่าเห็นเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเสพมันไม่มีความเสพมันจึงจะเป็นอรหันตผลหรือมันจึงจะเป็นวิมุตติเพราะฉะนั้นคนที่ได้เข้าใจแต่ว่ามันไม่มีตัวตนตัวเองยังผ ง, งาบผ ง, งาบเสพทั้งกามแล้วยังบอกจิตว่างอไม่จริงอะ แต่คนที่เขาว่างจริงแล้วเขาแตะต้องเรื่องเกี่ยวกับรูปลดกลิ่นเสียงสะพัสเขาก็ไม่มีความเสพนั่นก็จริงอีกเหมือนกันนั่นมันตีกลับแต่ผู้ที่ตัดกิเลสอย่างนั้นได้จริงแล้วถ้าจะให้เขาไปเกี่ยวข้องกับการไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาจะต้องทําเพื่อผู้อื่นถ้าเขาไม่เพียรเขาไม่พยายาม<ป>เขาไม่ทาอ่ะมันเมื่อยมันไม่มีประโยชน์อะไรเขาเองก็ไม่อยากทําอ่ะแต่ถ้าเผื่อว่าด้วยกรุณาที่คุณด้วยความเกื้อกูลด้วยโพธิสัตว์ ด้วยความยังกุศลในถึงพร้อมด้วยความเกื้อกูลผู้อื่นเขาจะทําไปเพื่อผู้อื่นเขาจะไปแตะรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสก็เพื่อผู้อื่นโดยตัวเองไม่มีเสพอนรตาอยู่อย่างเก่าไม่มีตัวตนอยู่อย่างเก่าแต่อันนี้หารู้ได้โดยกันไม่ของใครของมันเดาไม่ได้เป็นจริงเพราะฉะนั้นอยู่ๆยังจะบอกมาสูบบุหรี่ปุ๋ยปุ๋ยอยู่แล้ทำไมมีท่าอะไรสูบบุหรี่ปุ๋ยปุ๋ ย, ยอะไรบอกพระอรหันหันกระพีอะไร แค่รูปลดกินเสียงสัมผัสแค่นี้ยังไม่รู้เรื่องสูบมวลเท่านั้นบุรีใช้ชยโยโมวนเท่านั้นเนอะข้าบไม่ได้วางปากไอข้าวไม่ได้วางปากเนี่ยมันเรื่องอะไรอ่ะมันเรื่องติดไม่ใช่อะไรหรอกแล้วอารมณ์ตัวเองจิตตัวเองยังไม่รู้เลยติดของเสพติดแค่ตําๆแค่นี้ยังไม่ละเว้นเลยเนี่ยแล้วยังจะมาบอกว่าตัวเองเป็นอรหันต์หรือว่าใครอื่นตัวเองอาจจะไม่บอกคนอื่นเป็นเดาวอ่ะคนอื่นเป็นเดาอ่ะแล้วก็ไป ลือกันไม่เข้าเรื่องถ้าอยู่นอกศาสนาอื่นอาตมาไม่แตะต้องนะแต่นี่มาอ้างว่าอยู่ในศาสนาพุทธอาตมาเองจะต้องพูดเพื่อกันไม่ให้ศาสนาพุทธนี้ผิดพลาดและไม่ใช่ให้คนหลงผิดไม่ใช่ให้คนหลงผิดไม่เช่นนั้นศาสนาก็ชิปายหมดสิความรู้ต่ําๆยังไม่ได้ชั้นสูงอะไรเลยยังไม่มีแล้วจะไปะยกกันถึงเป็นอหรหันต์จิปายหมดสิศาสนาจะได้เรื่องอะไรนะ ไอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่รู้แม้จะนั่งหลับหูหลับตายัางไงก็ไม่รู้นั่งหลับหูหลับตาในแหละมันยิงไม่รู้แต่ถ้าพยายามจะพิจรารณาจะหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้ถ้าเรามีสมาธิเพียงพอมันจะได้มันจะต้องศึกษานะาทีนี้อาตมายกสูตรนี้จริงๆกคง็คงจะจำกันยากแต่ก็คงพอเข้าใจคร่าวๆในความความสัมพันธ์ของอบทแม่บทนี้นะ อาทินิอัตมาจะอธิบายเป็นภาษาง่ายๆก่อนอื่นก็จะอธิบายถึงคาว่าอันิจจังเถะก่อนอันนิจนนนจังนี่หมายความว่าไม่จริงไม่เที่ยงอันนี้จะต้องยกสภาวธรรมเช่นว่าคุณเคยติดเอาต่หยับๆยาบอาบายมุขมาก่อนเอายกตัวอย่างทางด้านฝ่ายชาย เคยติดเหล้าติดบุรีแล้วก็จะมีสภาวะอย่างหนึ่งน่ะเราหลงว่ามันเป็นตัวตนของความอร่อยเรียกในภาษาบาลีว่าอัดสาทะรสอร่อยไอตัวตนของรสอร่อยเนี่ยนึกว่ามันเป็นตัวตนจริงนึกว่ามันมีเสพที่ไรอร่อยทุกทีดื่มเหล้าก๊อกแห่ชื่นใจอร่อยแต่เปร่า กินไปพอสักหน่อยแก้วแรกอร่อยคุณแก้วต่อตอไปไม่ค่อยอร่อยแล้วยิ่งเมาที่ไม่รู้เรื่องครับไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกรสชาติไม่รู้เรื่องครับไม่ค่อยไม่ได้อร่อยอร่อยอะไรหรอกแต่ก็หลงว่าอร่อยด้วยความโง่ไอ้ความไม่เที่ยงความไม่ทรงที่ความไม่คงอยู่อย่างเดิม ไอตอนแรกอร่อยแก้วแรกอร่อยแก้วที่สองก็ไม่อร่อยเท่าหรือแม้แต่แก้วที่สอร่อยแก้วที่สไม่อร่อยแก้วที่สอร่อยแก้วที่สไม่อร่อยสลับสเปลี่ยนกันอย่างนี้ยังได้เลยนี่คือความไม่เที่ยงความไม่จริงความไม่ทรงอยู่อย่างเดิมความไม่เป็นจริงอยู่อย่างเดิมคืออะไรคือรถต่างๆนี่ที่เราไปหลงมันนึกว่ามันเป็นของจริงเนี่ยคนเราติดอารมณ์หรือรสชาติพวกเนี้ย เพรา ะ, ะแม้ขณะนี้สมมุติว่าผู้ชายเนี่ยติดเหล้าและรสอร่อยผู้หญิงก็เห็นแม่เสื้อตัวสวยนี้ถ้าได้มานาอร่อยเหลือเกินชื่นใจมีรสชาติเป็นสวรรค์พอใจเหลือเกินเครื่องแต่งต่งแต่งตัวนี่แค่อบายมุกนะต่อไปจะบอกรสอร่อยของทะขั้นที่สูงขึ้นเป็นสังโยชน์สูงขึ้นจากอบายมุกมาเรื่องกามจากกามมาหาทีนะมิถะว่าเป็นรสอร่อยจากทีนะมิถะมาหาอุทจจะว่าเป็นรสอร่อย จากอุเทจมาหาวิจิกิจชาว่าเป็นรสอร่อยจากวิจิกิจชาไปหาอาวิชชาว่าเป็นรสอร่อยจากอาวิชชาไปหาความไม่ยินดีว่าเป็นรสอร่อยจากความไม่ยินดีไปหากุศลหรืออกุศลว่าเป็นรสไม่อร่อ ย, ออยมันหลงอย่างนี้เป็นระดับระดับระดับไปเลยเ <auso osos> พราะฉะนั้นขณะนี้เป็นกามแต่กามไปเสพอบายมุกกามนี่แปลว่าความใคร่อยากมันอยากเสพแล้วมันก็เสพ ต้องการจะเสพสิ่งที่งงงงเงาเงาของเนี้ยเป็นอบายมุกนี่เป็นนรกหัวหน้านรกนี่กาลังยกตัวอย่างหัวหน้านรกนะเมื่อมันไปมีรสอร่อยที่จริงสภาว่าขนาดไหนก็เป็นรสอร่อยตัวเดียวกันเป็นอัศร์ทาเหมือนกันเป็นแต่เพียงปัจจัยคนละอย่างรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหยาบจนกระทั่งไปถึงละเอียดในระดับของกามเนี่ยมัก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายพอไปในระดับของจิตทีนามิตะใช้จิตในจิตแล้วฟุงงซ่านก็ใช้จิตในจิตแล้ว ยิ่งอวิชาวิจิตริชาอาวิชาไปยิ่งจิตในจิตใหญ่เลยยิ่งทําในทำเลยทีนี้ต้องใช้ปัญญาลึกซึ้งลงไ ป, ป น, นั่นนี่พูดนำซะก่อนเกินเป็นคร่าวๆเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานง่ายๆง่ายๆเป็นขั้นอบายยมุกแล้วก็เป็นหลงตัวตนฟังให้ดีนะตัวตนนี้มันมีตัวตนนะคนที่นั่งฟังทั้งหลายนี่ยอมรับไหมถ้าเป็นฝ่ายชาย ไม่ติดเหล้าไม่ติดบุหรี่ก็ไปหาของเสพติดอะไรเล่นไพ่เล่นโปเล่นหวยหรือว่าทำอะไรมันเป็นอารมณ์อร่อยอะ่ะเคยมีไหมเคยเป็นไหมนั่งสมมุติตามฝ่ายหญิงก็ในหลาเครื่องแต่งตัวนี่แหละบอกว่าเป็นอบายมุกแสนใหญ่จะต้องไปได้เสือ้อสวยจะต้องไปได้ไอ้เครื่องที่เขาเยาะล่อหลอกซึ่งเป็นเรื่องของผีเปรตนี่ต้องพูดกันใหญ่ๆอย่างนี้ อยู่ดีๆไม่ว่าดีไปเอาอะไรมาป้ายมาเขียนมาทามาแหกหูแห ก, ห ก, หกตาหลอกเขานั่นมันเครื่องแหกหูแหกตาหลอกมนุษย์หลอกผู้ชายใครที่มาใหม่ๆยังแต้มยังเขียนมาก็ขออภัยโดนพาชฉอกหน่อย <c oughs> <c oughs> ก็แรงๆหน่อยล ะ, ะอยู่ดีๆไม่ว่าดีไปเขียนมาหลอกเขาเดี๋ยวนี้มันหลอกจัดด้วย และยอกย่องกันเพื่อจะใช้จิตวิทยาหลอกกันว่าไปชักสังคมชั้นสูงสังคมชั้นคนรวยนึ่จะทําได้คนไม่รวยชาวบ้านนงบันนอกไม่ค่อยมีอะไรก็ค่อยๆก็หลงไหลสิอิทธิพลเอาอย่างตามพวกเศรษฐีตามพวกที่อยู่ในสังคมชั้นสูงที่ก็บอกต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โลกมันจะฉิบหายอยู่แล้วยังจะมามาพูดเ อ, อาผนันกันอยู่นี่ไม่ได้ต้องเปิดเผยต้องเปิดเผยให้หมดสัจจะนี่ต้องเปิดเผยน พอเมื่อไปหลงไหลยอย่างนี้ก็มีอีกอันหนึ่งฟังให้ดีนะอัสาธะเนี่ยรถอร่อยรถอร่อยเนี่ยนะเอาเขียนภาษาไทยกํากับไว้นิดนึงว่าอัศธามันแปลว่ารถอร่อยแม้ตัวนี้นะมันร้ายจริงๆริงไงคว่ารถอร่อยตัวนี้มันเอาคนไม่รู้จักผุดจะไม่รู้จักจะดับสิน้นไม่รู้เป็นอลหรหันได้ก็ตรงตัวคําว่ารถอร่อยเนี่ยนะ มันถ้าผู้ใดเห็นจริงว่าเริ่มต้นเข้าใจได้เข้าใจนะฟังดีนะทิฏฐิมีแปลปว่าความเข้าใจเริ่มต้นเข้าใจได้ว่าเอะไอ้กินเหล้านี่ว่าอรรถอร่อยไอ้นี่เนี่ยมันมันไม่ดีจริงหรอกมันแล้วก็มันก็ไม่เที่ยงมันไม่จริงหรอกถ้าเราจะเลิกมันหรือว่าเราจะล้างมันเนี่ยมีเหตุผลด้วยว่าเห็นโทษเห็นภัยและเห็นความดีแล้วก็เห็นจริงว่าเออจริงๆด้วยนะ เราเลิกมันได้นะหรือแม่ไม่เลิกมันก็ไม่เที่ยงบางทีเสพมันก็อร่อยบางทีมันก็ไม่อร่อยจริงตามนั้นมันไม่เที่ยงมันไม่จริงนะเริ่มต้นเห็นอย่างงี้ชัดเอ้มันชักเข้าท่าผู้ใดเห็นอย่างนี้เห็นความไม่จริงเห็นความไม่เที่ยงนี่เรียกว่ากําลังเข้าท่าละ <S <S กําลังผลมิจฉาทิฏฐิละ <S 1> <S 1> ฟังให้ดีกําลังพ้นมิจฉาทิฏฐิละอ่า จะเป็นความไม่อร่อยเอจะเป็นรสรถอร่อยของอะไรก็ตามรสอร่อยนี่อาตมายกปัจจัยแค่เหล่าบุรีเครื่องแต่งตัวสาหรับผู้หญิงอ่องาเอาหรือเอา ช, ชั้นสูงขึ้นมาอีกนิดนึงชั้นสูงขึ้นมาอนนี่ปัจจัยสูงขึ้นมาอีกนิดนึงอารมณ์ของกามของกาเ ม, ามทุนคนที่เห็นว่ากาเมถมุนนี่ไม่จริงอ่ะ เสพบางครั้งก็ไม่เห็นมันได้เข่าวทาเลยบางครั้งก็เขาา่าท่าบางครั้งก็มีรถบางครั้งก็ไม่มีรถอย่างนี้เป็นตน้นเอมันไม่เที่ยงนี่ท่าชักมีปัญญามียานสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้ น, นเห็นว่าแล้วมันไม่ใช่ของจริงด้วยอั น, นี้เห็นเลยบอกว่าเอพระ พ, พุทธเจ้าท่านทำไมทิ้งแล้วพระพุทธเจ้าท่านดับได้สนิทได้ท่านบอาไม่มีจริงจรงได้ไอันี้ก็ไม่ใช่ของจริงสิ แต่ว่าถ้าเรายังไปติดมันอยู่ติดเล่าก็ตามติดบุรีก็ตามเรายังทุกข์อยู่นะดูให้ดีตัวนี้เป็นลูกศรอันนี้จังมหาทุกขังเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวกันหรอกแต่มันกําลังเชื่อมโยงกันพอมันเป็นอันนี้จังเราก็ไม่รู้พอไม่รู้มันก็ไอตัวเราหลงว่ามันจริงที่จริงมันไม่จริงเราหลงว่ามันเที่ยงที่จริงมันไม่เที่ยงแต่เราไปหลงแล้วก็คว้ามันอยู่ตลอดเวลามันจึงทุกข์ จึงเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะเราจะโมัเสพแต่ของไม่จริงเพราะเราจะต้องเอามันมาเที่ยงเรื่อยแก่แล้วสังขารไม่เที่ยงก็ยังจุปยาวยาจะไปอย่างสมมติกามเมถุนอย่างนี้ฝ่ายไม่รู้ละฝ่ายชายโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยต้องไปซื้อโสมชั้นดีมากินเร่งแม่ต้องยาโปต้องกินโปไปซื้อโสมซื้อโปมา เพื่อที่จะให้มันคงอยู่อย่างเก่าฉันจะต้องมีอารมณ์กามอย่างเก่ากามไม่ย่อหย่อนเนือกว่ามันเป็นของจริงมันไม่จริงแม้แต่สังขารทางกายมันก็ยังลดละลงให้ก็ไม่เชื่อจะต้องเอาอารมณ์จิตขึ้นมาให้มันได้ด้วยก็เลยกลายมีแต่อารมณ์จิตกลายไม่ช่วยก็เลยกลายเป็นโลกจิตแล้วกลายเป็นเท่าเรียกว่าเท่าเขาเรียกเท่าหัวงูเขาเรียกเท่าบากรเลอะเทอะใหญ่เลย เรื่องทุกข์ทั้งสิ้นต้องขนขวายต้องใฝ่หาต้องสา ะ, ะแสวงต้องดิ้นรนเป็นตัวทุกข์ทั้งสิ้นเพราะเราจะต้องหลงว่ามันเป็นรสอร่อยหลงว่ามันของจริงลบว่ามันของเที่ยงหลงว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องได้ต้องมีต้องเป็นอย่างนี้เป็นต้น น, นี่อย่างสูงขึ้นมาหน่อยจะเห็นชัดขึ้นนิดนึงเหมือนอย่างรถของกามอย่างเงี้ยอันนี้ตัวนี้ตัวตัว ง, ง่ายๆหยาบๆแล้วก็น่าเกลียด เรานึงว่ามันเป็นรสเป็นชาตินึกงว่ามันเป็นของที่จะต้องได้ต้องมีต้องเป็น แ, แต่มันก็ไม่เที่ยงและดับได้อนาตตาได้ดับจนสนิทแล้วไม่มีตัวตนรสอัตสาทะนี้ดับสนิทแล้วไม่มีรสชาติไม่มีอารมณ์จะอยากจะเป็นจะมีจะอร่อยไม่ไม่ถ้าเป็นอรหันต์เป็นพระอรหันต์เป็นอรหัตตบุคคลแล้วแม้จะสัมผัสสิ่งนั้นอยู่ก็เฉยเฉย แต่ไม่ต้องไปทดลองนะอย่าบ้าไม่ต้องไปทดสอบนะไม่ต้องไปทาอะไรบ้าบ้าบบในเรื่องหลามกไม่ต้องในอาบายมุกก็ไม่ต้องไปทดสอบในกลามก็ไม่ต้องไปทดสอบมันจะรู้แล้วมันจะแน่ใจมันจะแน่ใจแน่ใจแน่ใจแล้วมันจะเห็นจริงเห็นจริงมันจะเห็นความว่างจะเห็นความไม่มีตัวตนของอัสาธะไม่ใช่ตัวตนดินน้มไฟลม ไม่ใช่ตัวตนของธาตุดินธาต้น้ำไอ้นี่คือดินน้ำเป็นตัวนี้คือตัวตนของอันนี้ไอ้เรื่องนี้ลู่นอกแม้แต่เนื้อหนังมังสานี่ก็ไม่ใช่ตัวตนอันนี้คือตัวตนที่สําคัญนี่ต้องเข้าใจให้ได้ว่าคือตัวตนของอัศราทุตัวตนของรสอร่อยตัวตนที่เรานึกว่ามันมีจริงที่จริงมันไม่มีจริงอ่าถ้าผู้ใดก็ค่อยลดลงมาลดลงมาลดลงมาพอเห็นอันนี้จังชัด ด้วยความเป็นอนิจจังคือเห็นว่าอ๋อรูปก็ดีรถก็ดีเมื่อกี้ว่าในานั้นแล้วรูปก็ดีรถก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีสัมผัสกายก็ดีสัมผัสใจก็ดีมันไม่มันมันไม่จริงเห็นเป็นอนิจจังคือไม่จริงหมดแม้จักษุสัมผัสก็ไม่จริงแม้เวทนาก็ไม่จริงแม้อะไรเกิดด้วยเหตุจักษุสัมผัสแม้แต่ เห็นจักสุสัมผัสแต่ทุกเวทนาทุกขเวทนาอทุกรรมสุขเวทนาที่เกิดเพราะจักรสุสัมผัสเป็นปัจจัยมันก็ไม่จริงมันก็ไม่เที่ยงผู้ได้เห็นอย่างนี้จึงจะละมิจฉาทิฐิได้หมายความว่าเป็นผู้ที่พ้นความเห็นผิดต้องเห็นอันนี้เห็นอัตสาทตัวนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่เข้าสัมมาทิฐิ ไปเห็นขี้หมาไปเห็นดาวไปเห็นพระอาทิตย์ไปเห็นเทวดาเทวดาโดไปเห็นอะไรแต่ใดนอกเรื่องหมดผู้ที่จะเข้าสมาธิที่นั้นต้องเห็นกิเลสของเราคือตัวอัตสาทานี้เห็นว่ามันไม่จริงมันไม่เที่ยงมันเป็นเหตุมันเป็นตัวทุกข์ทีเดียวมันเป็นตัวเหตุแห่งทุกข์ทีเดียวเมื่อผู้ใดเห็นลึกขึ้นจนกระทั่งพอเห็นว่าไม่จริงไม่เที่ยงยังไม่ถึงขั้นว่า เอ๊มันเป็นทุกข์นะมันเป็นเหตุแห่งทุกข์นะและจนกระทั่งดิ้นโดนทนได้ยากพราะทนได้ยากมันก็อยากออกมันก็จะหาศีลหาพรถ้าวิธีมาล้างออกเพราะฉะนั้นเริ่มต้นสู่ของพระเจ้าศีล ส, สมาธิปัญญาก็ใช้ได้แล้วคนนั้นจะพอใจเอาศีลเอาพรเอาเครื่องมือมาถาดมาขัดมากราออกพราะเริ่มต้นขัขดกราออกขัดกราออกก็เริ่มต้นเข้าหาอริยะ เป็นผู้ที่ละส ก, กายะด้วยศีพลพรมีศีลมีพรเห็นจริงๆไม่วิจิกิจฉาถ้าวิจิกิจฉาลังเลลังเลอยู่ลางยากลางยากใครยังเชื่ออยู่ว่ารถของบุหรี่ไม่น่าเลิกรถของอกินการกินเหล้าไม่น่าเลิกอย่างนี้เป็นตน้นคนนี้จะไปเอาศีนเอาพรตเพื่อจะอดบุหรี่เพื่อจะมาอดเหลา้ายังไม่พรตวิจิกิจฉานะเอ้ยลางยากง ง, งงง ง, งงงงประเดี๋ยววนไปเวียนมาไม่ได้ไง่ายๆแต่ถ้าผู้ใดเห็นจริงนะเอาจริง ประเดี๋ยวถึงขูดออกขูดออกเดี๋ยวดก็ได้ไอ้เรื่องนี้มันเรื่องหยาบเรื่องที่รู้ง่ายใช้ปัญญาก็ไม่ต้องลึกซึ้งพอลดว่างเบาแล้วเห็นโทษภัยเห็นประโยชน์ในการละได้มากเห็นประโยชน์ในการละได้มากและจะเห็นชัดเจนไข่จางคลายจางคลายเป็นอนิจจานุปัสสีโดยการเห็นอนิจจานี่หมายความว่าเห็นมันอนิจจานี่หมายความว่าเห็นเป็นความไม่เที่ยงเห็นเป็นความไม่จริงอนุปัสสีหมายความว่าตามเห็นอยู่รู้อยู่ ไม่ใช่ว่าคิดเห็น MM. ไม่ใช่คิดเอาแต่ตามเห็นตัวสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่จริงนี่อยู่จริงๆเห็นว่าไอ้อัศสาธาตนี่ไม่เที่ยงไม่จริงเห็นว่ารสอร่อยนี่ไม่เที่ยงไม่จริงเห็นอยู่ทนทุกกับของตัวเองเห็นแล้วทีนี้เมื่อตั้งศีลตั้งพรตเข้าค่อยๆชําระค่อยๆกําจัดพอชําระกําจัดมาเรื่อยๆมันก็จะเกิดวิราคะแปลว่าจางคลายาาแปลว่าเปลื่องปล่อย แปลว่าเ ค, ค่อยจางอ่อนลงอ่อนลงเห็นความจางลงเห็นความอ่อนลงอนุปัสสีจะวิราคาอนุปัสสีหมายความว่าตามเห็นอยู่ทีเดียวว่าเออจริงๆมันอ่อนลงอตอนนี้เห็นอาการชอบเหล้าติดเหล้ารถของเหล้านี่มันแหมรถขนาดนี้จีจ่าขนาดนี้พอได้ศีลพลมากํากับประพฤติปฏิบัติหมายกินเหล้าแก้วนี้ไม่อร่อยแฮะ รถอัดสาทารถอร่อยนี่ลดลงจริงๆฮิพอเอาศีลพรมาปฏิบัติเข้าเอากรรมวิธีหลายๆอย่างมาปฏิบัติเข้าแต่ก่อนนี้เคยเสพเมถุนเสพกามมีรถเอชักไม่เข้าท่าให้รถอ่อนจางลงแค่นี้เป็นต้นหรือแม้แต่จะปัดใจไปถึงฐานอย่าว่าแต่กามนะอย่าว่าแต่อบายมุกอย่าว่าแต่กามมาถึงฐานถีนมิทะพอเรามีศีลมีพรมาฝึกจริงๆ เออไอการเสพรถของทีนมิท่ะเนี่ยซึ่งมันไม่ไปกวนคนอื่นละอย่างกามมันต้องไปพึ่งสิ่งอื่นข้างนอกไอทีนมิทะ่ะไม่ต้องพึ่งคนอื่นไม่ต้องกวนคนอื่นเอามันฉันเองเสพที่ไหนก็ได้รับหลังคุณก็ได้ต่อหน้าคุณนี่ยังได้เลยไม่ต้องเกี่ยวกับคุณเลยคุณนั่งเฉยเฉฉันจะเสพทีนมิท่าให้ดูยังได้เลย แล้วมันก็เสพแล้วก็เป็นรสอร่อยแต่ถ้าเห็นเป็นอันนีจังเลยว่าเอ๊ะมันไม่จริงไงไอ้ตัวนี้เห็นจริงๆว่ามันไม่เที่ยงมันไม่จริงมันไม่ใช่ของจริงมันหลอกเล่าเริ่มต้นผลมิจฉาทิฐิแล้วตั้งศีลเพราะขึ้นสัตว์มันเป็นสกายติิเห็นม่าเป็นทุกข์มันทรมานอาตมาเชื่อว่าพระโยกาวจรของอาตมาหลายคนถึงขั้นเห็นแล้วว่ามันทุกข์มันทรมานแต่ยังฆ่ามันไม่จริงเพราะแม้แต่อานิจจานุปัสสีก็ยัง เออใช่อนิจจานุปัสสีนี่ก็ยังเห็นมันไม่เด่นชัดคือยังไม่เชื่อว่ามันไม่จริงเสพทีไรมันอร่อยทุกทีและมันก็ไม่หนักซะด้วยเพราะไม่ต้องแย่งใครลาบฉันก็ไม่ไม่เคยเอาแล้วยศฉันก็ไม่ค่อยเอาแล้วรูปรกิ่งเสียงสัมผัสฉันก็ไม่ค่อยวุ่นก็ใช้จะนั่งสงบโดยใช้ก็จะเผลอสงบโดยใช้ก็จะตกเอาทีน้มิถะสงบเนี่ยฉันไม่ไม่เป็นกวนใครนี้ ฉันไม่เบียดเบียนด้วยไม่ได้เบียดเบียนใครด้วยแต่เบียดเบียนตนยังไม่เกิดวิชายังไม่เกิดปาโมดยังไม่รู้ยังไม่ตื่นยังไม่เบิกบานยังไม่เข้าพุทธยังเป็นเดียร์ถีอยู่ซึ่งเป็นศาสนาเก่าแก่มีเยอะได้แค่มานั่งเสพหลับเสพดับเนี่ยเยอะมากมายอ่ายังไม่เข้าศาสนาพุทธ ฟังให้ดีนะยังไม่เข้าศาสนาพุทธยังไม่รู้ยังไม่ตื่นยังไม่เบิกบานยังงมโข ง, งงมมังหาราอยู่เพราะฉะนั้นแม้เหตุปัจจัยระดับนี้ฟังให้ดีอาตมาพูดเป็นระดับมันมากมนะมากขั้นมากตอนและมีลักษณะถึงไตรลักษณ์ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นไตรลักษณ์คำนี้มันพูดเปล่าๆได้ที่ไหนมันเกี่ยวกับเหตุกับปัจจัยมันเกี่ยวกับของจริงมันเกี่ยวกับสภาวะธรรมไม่ใช่วิตรกะไม่ใช่ตรกศาสตร์ด้วยไม่ใช่นั่ง พอมีความเข้าใจว่าอ๋ออันนี้จางคือไม่เที่ยงทุกครั้งคือทนได้ยากอันัตตาคือความไม่มีตัวตนไอคำแปลโดยภาษาขีหมาแบบนี้ใครมันก็เข้าใจมันจะยากอะไรแต่โดยความจริงมันไม่ใช่เท่านั้นเลยมันลึกกว่านั้นมันมีสภาวะจริงมันมีตัวผีจริงมันมีตัวเทวดาจริงคุณล่าไม่ได้จริงคุณไม่เป็นเทวดาจริงคุณให้ผีมันเข้าวมันเป็นผีจริงฐานไหนก็ฐานนั้นฐานอบายยมุกก็ฐานต่ำฐานกลางก็ฐานสูงขึ้นมาหน่อย ฐานทีนมิตาหรือว่าฐานจิตในจิตมันก็สูงขึ้นไปอีกฐ <L un ters> านธรรมในธรรมขั้นวิชาอาวิชามันมีอีกอาตมาพูดไม่ถึงวันนี้ <Okay. S 1> ในนิวรณ์เกินห้าไม่พูดยังไม่พูดวันนี้ <Okay. S 1> จะพูดแต่แค่นิวรณ์แค่3มแค่หนี่สักก่อนว <Okay. S 1> นเวียนอยู่แค่นี้ก่อน <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดจับตัวรสอร่อยของไอ้สิ่งที่เหตุปัจจัยแค่ชั้นต่ําชั้นกลางชั้นสูงที่ยกตัวอย่างไปแล้วต่ําเช่นอบายมุกที่ยกไปเมื่อกี้หรือกลางเช่นกามเมฆถุนเป็นต้น ซึ่งพระโสดามีการเมถุนเกิดรสอร่อยอยู่ก็อนุโลมแต่สกิทาคามีแล้วถือศีลอภพรมจรั์แล้วต้องรู้ให้ได้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังและทำให้เป็นอนัตตานะทไปถ้าตามไปจนกระทั่งทวารทั้งห้านี้ไม่แล้วมีฮิริโอตปะเชื่อมั่นเพียงพอเกิดศรัทธาเชื่อมั่นเห็นจริงเหลือเกินอนัตพลมิจฉาทิฏฐิยังไม่เห็นจริงเหลือเกิ น, น, น, นลนะน่าอาย าตาหูจมูลิ้นกายไปแตะต้องสัมผัสเป็นจักษุสัมผัสเป็นโสตะสัมผัสเป็นชิวหาสัมผัสไอ้เป็นคารณะสัมผัสเป็นชิวหาสัมผัสเป็นกายสัมผัสไม่แล้วแต่ใจมันก็ยังเป็นธรรมารมเป็นธรรมารมอยู่บ้างคนตามพระสกทาคามีจะลดลงลดลงลดลงลดลงสกทาคามีชั้นสูงขึ้นสูงขึ้นจะมีฮิริโอตปะสูงขึ้นด้วย จนแม้ที่สุดละได้เหลือน้อยที่สุดท่านเรียกว่ารูปราคะอรูปราคะซึ่งแน่ใจเลยว่าไม่ละเมิดไม่เวียนกลับให้ตายยังไงก็ไม่เอากายไปสัมผัสเสียศีเมทถุนจะมีลดอยู่ในใจลารองลำรอนกันนี่นี่น่อยดีดด้วยนิ้วก้อยก็หายรู้สึกตัวว่าละอายเพียงพอพอเรารู้สึกตัวว่าเรามีอารมณ์นี้แม้เราีนบ้าจริงมันจะรู้ตลอดเวลามีสติเพียงพอที่จะรู้ ที่จะรู้ความหมายและที่จะรู้ความจริงพระอนาคามีจะไวจะเร็วเข้าตายหาฐานพระอนาคามีจะไวพอยิ่งเป็นพระอนาคามีเต็มรูปแล้วสุดท้ายแล้วถ้าพระอนาคามีเต็มรูปหมายความว่าไม่มีอารมรูปราคาอารูุปราคาไม่มีนันนา น, านผีหลอกทิง น, นานนานผีหลอกทิงนี่พระอนาคามีเต็มรูป น า, นานๆมันจะมีอะไรเออเราไม่ได้เจตนาเราไม่มีอะไรหรอกเหตุปัจจัยก็ยังทนได้อยู่ยังรู้อยู่บางทีอยู่ว่างๆเลยซ้ำไปไม่มีอะไรหลอกเราหน่อยมีอารมณ์แป๊บหนึ่งน้อยอ่ อ, อนไม่มีคนอื่นรู้ด้วยหรอกรู้โดยอยู่ด้วยตนเนี่ยขณะนี้ก็มีเฮดีโอตปะของเราเราจะฆ่าของเรานี่พระอนาคามี น, นี่เ่าเป็นชั้นๆไล่ขึ้นไปให้สูงให้ฟังจนกว่ามันจะหมดหลอกก็เป็นพระอรหันต์จนหลอกกว่ามันจะไม่มีแต่ยังมีฐานของมานะฐานของอุจจจะไม่พูดอีกซับซ้อน มานะของสังโยชน์เราได้แล้วเราก็เบ่งก็หลงแล้วก็ทับซับอะไรตา่ตางๆนาน า, ล า, ล า, ลาและมานะนี่มันก็เป็นทุกชัน้นผู้ละอบยยมุกมาได้ก็มามีมานะแล้วก็ยึดฐานเพราะมานะเพราะเราถือตัวว่าเรามีความรู้ซะแล้วเราก็ไม่ฟังต่อเราก็เสพของเราไปตามเรื่องตามฐานละการราคะอย่างอยากพอได้รูปรดกลิ่นเชยงสัมผัสหรือลาบยศพอสมควรได้แล้วเราไม่ต้องหนักแล้ว เจนะ็ทีนามิถาได้ก็อแล้วก็แน่ของเราเนี่ว่าจะไปแคร์ใครไปไหนๆก็แค่กินแค่อยู่แค่นี้ก็ได้เนี่ว่ามีมานะเพราะมีมานะจึงไม่ฟังแม้แต่จะอาจารย์ไหนมาพูดก็ไม่ฟังฉันได้แล้วนี่แล้วมันได้จริงๆด้วยนะคนที่ยังติดนะทีนามิถาง่วงเหงาห้านอนอยู่นี่จึงเป็นมานะอันหนึ่งเพราะเหตุแห่งมานะจึงทําให้เราง่วงอยู่ ที่งวงอยู่เพราะอะไรเพราะไม่ใส่ใจเรียนเพราะไม่ใส่ใจรู้พูดอะไรก็รู้แล้วที่จริงไม่รู้ตัวเองไม่รู้ตัวเองไม่ใส่ใจเรียนไม่พาเพียนต่อเพราะมีฐานที่เสพได้แล้วจึงยึดฐานเสพนั้นและก็รู้สึกตัวเองว่าฉันไม่ต้องแคร์ใครก็ได้แล้วฉันเสพแค่นี้ฉันก็ว่าฉันไม่ได้เบียดเบียนใครที่จริงมันเบียดเบียนตนเบียดเบียนตน ถ้าจะว่าเบียดเบียนท่านก็ยังกินของเขาอยู่เอาแต่นั่งหลับตางุบงุบเอาแต่กินแต่นอนเอาแต่กินแต่นอนศาสนาได้เอาแต่กินแต่นอนและสุดท้ายการงานมีและไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่อธิบายสัมมารกรรมมันตาสัมมาอาชีวะด้วยไม่มีการกระทําอะไรให้แก่เขาถ้าไปทีไรก็เจอแต่พระคุณเจ้านั่งหลับตาพริมูธท่านท่านเข้าชานท่านเข้าชานนายไปฌานไปที่ไหรก็อย่าไปกวนท่านท่านเข้าชานบาปนะ อย่าไปทําให้ท่านออกจากชานตกจากชานให้ท่านอยู่ในชาน50สิปีก็อยู่ในชานร้อยปีก็อยู่ในชานเอาไปเผาแล้วก็เลยจบอยู่แค่ชานนั่นแหละไม่ได้อะไรดีกว่านั้นไม่ได้ทํางานแต่กินข้าวเขาอาใครเข้าวอาอะไรมาถวายรับรับจะมีปัญญาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าไม่มีปัญญาเพิ่มขึ้นคนเหล่านี้มีแต่จะมีความโง่ลงโง่ลงโง่ลงเรื่อยไปนี่ฐานมันเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าใจไตรลักษณ์ที่เป็นตัวจริงรู้ว่ามันเป็นของไม่จริงเป็นของไม่เที่ยงตามเหตุปัจจัยแล้วก็เกิดอัศาธาอัศาธานี่เป็นอารมณ์กลางอารมณ์ร่วมอารมณ์ตัวเดียวกันรสเดียวกันถ้าคนเสพติดอบายมุขว่ามันคนนั้นก็เป็นคนฐานต่ำเป็นคนต่ำเสพติดในสิ่งที่สมมุติโลกเขาก็บอกว่าชั่วว่าต่ำแล้วแต่ตัวเองก็ยังไปเสพไปเสพโดยมีรสอร่อยเหมือนกัน คนที่นั่งเสพเอธีนมิทะว่าอร่อยมันก็เป็นอัาธาอันเดียวกันร่วมกันคือรสอร่อยตัวเดียวกันบางคนติดมากติดยาบมากนี่คือยาบยาบคือมากติดความง่วงเนี่ยติดแม้ได้เสพอารมณ์หลับแล้วอร่อยเกินจริงในสมมุติสัจจะในโลกว่าก็ฉันติดอารมณ์หลับเฉยๆเนี่ยมันไม่ใช่ความชั่วถึงขนาดไปเสพอบา ย, ย ม, มุกถูก เทียบกันแบบนี้ก็ถูกมันไม่หยาบเท่าอย่าเช่นไเสพเมถุนเสพกามนี่ถูกเห็นไหมเห็นได้ไหมว่าถูกแต่คุณก็หยาบยิ่งคุณติดมากก็เป็นค่าอย่างหนึง่งว่าคุณหยาบอยู่นะแม่เสพถีนาะมิ t ะเป็นอารมณ์เดียวกันเป็นภาษาเดียวกันเรียกว่าอัดสาทะคือรสอร่อยแต่เหตุปัจจัยต่างกันฟังให้ดีเหตุปัจจัยต่างกัน เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่เห็นเป็นอนิจจังไม่เห็นว่ามันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่ของไม่เที่ยงถ้าไม่ตั้งศีลพ้นขึ้นมาหรือว่าไม่พยายามเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่มีหิริไม่มีโอตปะที่จะฆ่ามันล้างมันหากรรมวิธีปรับมันฆ่ามันตายให้ได้มันก็ไม่พ้นถ้าฆ่ามันมันจึงจะวิราคานุปัสสีฆ่ามันมันจึงจะจางคลายจางคลายจนถึงนิโรธานุปัสสีเอาเขียนตรงนี้ เอาอันิโรธนะนิโรธานุปัตสีที่จริงนิโรทานุปัตสีนะ น, นุปัสสีก็อยู่ตรงนี้น้อ ย, อยวันนี้จะไม่พูดถึงปฏินิสคานุปัตสีจะพูดถึงนิโรโรทานุปัสสีนี้เท่านั้ น, นเมื่อจางคลายจางคลายลงมาเราละไอตัวอัดสาธาในลงมาได้จางคลายลงมาเรื่อยเรื ย, เ ร, ยเรียกว่าวิราคานุปัสสีจนที่สุดดับได้ แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นได้เป็นสมาบัติโอ้เราสามารถดับมันได้ไอรสอร่อยนี่ทําให้มันได้ชั่วคราวเป็นตทังเข้าวทหารเป็นวิคัมพนปทหารจนเก่งขึ้นเป็นปฏินิสรกเป็นปฏิปฏิปฏิสัทธิปทหารเป็นนิสรณะปทหารหมายความว่าสลัดได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นแก่งขึ้นจนเป็นสมุทรเทธปทหารปทหารได้เด็ดขาดรสอร่อยในปทหารได้เด็ดขาด ถึงแม้กันนั้นก็ตามเราก็ยังต้องทําและทําอีกเรียกว่าปฏิปฏิทวนไปทวนมาทวนไปทวนมาทวนไปทวนมาจนมันดับได้สนิทดับได้เด็ดขาดอัศาธาโรตอร่อยเหล่านี้ไม่มีเห็นในอานาตตาไม่มีตัวตนของรสอร่อยอานาตตาไม่มีตัวตนอะไรไม่มีตัวตนของอัศาธาไม่ว่าเหตุปัจจัยตัวกามเมธุนหรือตัวถีนมิทะ หรือเหตุปัจจัยอื่นอาจะมาไม่พูดให้มากเลอะวันนี้ยกตัวอย่างสองสามอย่างในระดับสามระดับระดับอบายมุกระดับกามระดับถีนมิทะอ่าว่าแค่นี้ก่อนแต่ฟังให้ดีนะมหลายวันมาแล้วก็พูดพอบอกว่าถีนมิทะคนที่ยังไม่ได้จะละอะไรเลยนี่นะเสพทีนมิทะด้วยถ้านอนก็ติดจังเลยนะ่ะก็อีกแหมไอ้ย่างงั้นอันนี้วอนเต็มเหนียว นิวรณเต็มเหนียวมันคนละระดับกันกับบุคคลบุคคลบางคนมาติดถีนมิทะเพราะลถกามเพราะรถพยาบาทหรือเพราะลดอบายมุขดกามลดโลกต่ำต่ำมาได้จริงและมันก็ไม่เอานิยายของใครแล้วก็เรียนมาไม่เป็นสมาธิิก็จะมาตกอยู่ที่นั่งหลับตานอนหลับติดแต่หลับแต่นอนหลบๆ บ, บไม่ใ ย, ยดีไม่มีปัญญาไม่มีโล ก, กวิถ ไม่มีชีวทัศน์ไม่มีโลค ก, กับทัดใครจะไปยังไงยังไงยังไงไม่รู้เรื่องกับเขาเขาจะขึ้นเหนือลงใต้เขาจะไปถึงนนท์ถึงนี่แล้วมนุษย์ชาติสังคมก็เป็นอย่างน่นอย่างนี้เป็นผู้โง่ไม่รู้กับเขาจึงไม่ใช่พุทธะพุทธะนะั้นต้องรู้รู้ขเขามากน้อยก็ต้องพอรู้และยิ่งเราเองมีประสิทธิภาพสามารถที่จะดับมันได้จริงแล้วก็จะสามารถรู้กับเขาได้โดยเรา ไปสัมผัสกับมันด้วยก็ยังเฉยจนสุดท้ายสัมผัสมันอยู่บนมันเหมือนจะน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กมันก็ได้สัมผัสได้เลยทีเดียวสุดท้ายแข็งขันแข็งแรงแม้จะอยู่ในอบายมุกดงอบายมุกดงกามหรือแม้แต่จะอยู่ในดงคนขคี้หลับก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปหลับตามเขาไม่ไปหลงตาม ไม่ไปหลงตามเขาเราจะเกิดปัญญาเป็นผู้ตื่นอยู่ตื่นอยูอ่ตื่นนี่หมายความว่าจะต้องมีประสาทจะต้องมีปฏิภาณต้องแววไวต้องรับรู้เข้าใจทันในความหมายของโลกตื่นเป็นผู้ตื่นมันมีความหมายสูงนี้จึงจะเป็นพุทธ มันจะ ย, ยังเป็นผู้หลับหลับอยู่แล้วไม่รู้โลกเขาเป็นยังไงไม่ถ้าก็ขอพูดข้ามไปนิดนึงแล้วก็ไม่ยินดีโลกเขาจะเป็นยังไงก็ไม่ยินดีไม่ยินราเฉยเมยคนแบบนี้ก็จะเฉยเหนื่อยโ ง, ง่ซึมเสื่องเซ่อเ ซ, ซ่ไม่ใช่การพัฒนาเลยมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์พัฒนาไม่ใช่มนุษย์ประเสริฐฟังให้ดีนะ ศาสนาพระพุทธเจ้าจึงต่างกับศาสนาเดรัจฉีมากในความหมายและเป็นความจริงด้วยเทียงไม่ได้ด้วยถ้าเป็นอย่างที่อธิบายนี้คนที่เป็นมีประสิทธิภาพอย่างที่เล่าให้ฟังอยู่เดียวนี้เนี่ยเทียงไม่ได้ด้วยเป็นความประเสริฐเป็นการสร้างมนุษย์ประเสริฐแล้วช่วยโลกพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างพระอหรหันต์เสร็จแล้วหกิรูปส่งเข้าบ้านเมืองไปไ ป, ไปช่วยเขาไปสอนไปทํางานไม่ใช่บอกเออ บรรลุอรหันต์หมดแล้วแล้วลูกหกสิรูปเอาหาถ้ำอยู่หาป่าอยู่ขุดรูอยู่ไปไม่มีประวัติศาสตร์ไม่ได้สอนเราไว้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้พาเป็นอย่างนั้นแม้ท่านเองท่านก็ทํางานสาวพรองพุทธเจ้าก็ทํางานนี้จึงจะเป็นผู้ประเสริฐจริงเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทิศทางแล้วลูกมากแล้วเราต้องฝึกฝึกฝึกฝึกขึ้นไปหาจุดนี้ ฝึกไปหาจุดนี้เราจะได้ฐานแล้วก็เสพเสพอยู่แค่นี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สัสนเสินคนหยุดอยู่ไม่สั่นเซินมันไม่ยอมฟังคนอื่นแล้วมันก็ติดจริงๆเป็นกินเละ ข, ของตนเองเสพเสพอัดสาธะแต่ละฐานแม้แต่คนไม่ทิ้งอบายยมุกหรือทิ้งไม่ออกทิ้งไม่ได้ก็เหมือนกันทิ้งอบายยมุกได้แล้วและก็มาเสพกาม ไม่เลื่อนฐานะจาจ ก, กรกามไม่มีศีลแปดแล้วก็ไม่เป็นอธิศีลแล้วก็ไม่เป็นอธิจิตแล้วก็ไม่เป็นอธิปัญญาคนนั้นก็เสพฐานเก่าอยู่อย่างนั้นแหละไม่ใส่ใจไม่ยินดีที่จะศึกษาไม่ยินดีที่จะฝ่ถ้าคนใดร่าเริงในธรรมยินดีในธรรมมันยินดีมันชันทะฟังธรรมร่าเริงฟังธรรมถึงแม้จะฟังธรรมซ้มาธรรมซาก ฟังซ้ำฟังซากมันก็ปิติยินดีคนนี้ไม่มีมานะคนสอนอย่าว่าแต่เป็นอาจารย์เราเลยแม้แต่คนที่พูดที่สอนไม่เป็นอาจารย์เราก็ร่าเริงแหมถ้าเผอว่าเขาเองเราเห็นแล้วว่าคนที่เขากำลังสอนนี่เขาฐานะต่ำกว่าเราคุณคุณคุณธรรมหรือว่าภูมาธรรมต่ากว่าเราเขาสอนเขาอธิบายอธิบายธรรมะเนี่ย ถคนไหนที่เป็นคนที่เบิกบานในธรรมอยู่ในธรรมติดธรรมะนะร่าเริงในธรรมนะโอ้โหรุ้นใหญ่เลยเอาใจช่วยอย่าผิดนะอย่างนี้อย่างนี้นะสง่งจิตช่วยและมีกระแสจริงๆสง่งจิตช่วยให้พูดได้ถูกถ้ากระแสของเราเก่งก็ดุลในคนนั้นขึ้นไปไม่ใช่เองจะสอนไปสิฉันรู้หมดแล้วฉันนั่งดับก็ได้นี่มันเป็นมานะและมันไม่ร่าเริงในธรรม เพราะนั้นผู้ที่มานั่งหลับนี่นะผู้พระที่มานั่งหลับเนี่ยติดหลับมากอร่อยอัศทะมากหนึ่งสองมีมานะสมไม่มีอรไม่มีปราโมทมีอารติไม่ยินดีและเป็นความหมลหมองไม่ใช่ผู้ร่าเริงเบิกบานไม่ผู้แม้แต่อยู่ในวงการธรรม ะ, ะซึ่งไม่ใช่วงการของกางไม่ใช่วงการของพยาบาทก็ไม่ว่า คุณทิ้งการทิ้งพยาบาลมาแล้วคุณไปอยู่วนนู้นคุณไม่ยินดีก็ไม่เป็นไรนี่แต่มาอยู่ในวงธรรมะแท้ๆคุณยังไม่ยินดีธรรมะนี่แหละเป็นกิเลสนี้แหละเป็นนิวรนเป็นความตกต่ําเป็นความไม่พาเจริญนิวรนแปลว่าเครื่องจิตกั้นความเจริญเป็นอารติเป็นความไม่ยินดีไม่ยินดีในธรรมได้เหรอไม่ยินดีต้องเข็นตัวเองให้มีฉันท้วิริยะจิตตวิมังสาเข็นสินี่เป็นเครื่องมือนี่เป็นศีลพล ถ้าเราไม่ใช่ศีลพจเล่นแต่ศีลแล้วพระตปรามาดก็เลวอีกเหมือนกันยิ่งไม่มีศีลพจเลยไม่เลื่อนเลยกิเลสเสพก็เสพติดมานะก็ใหญ่ด้วยไม่ฟังนี่ขนาดเป็นอาจารย์สอนยังไม่ฟังเลยแล้วใครจะช่วยได้ช่วยไม่ได้และยิ่งมีอารติด้วยมีความไม่ยินดีในธรรมด้วยไม่ร่าเริงในธรรมไม่พอใจในธรรมไม่มีทางเจริญโดยเฉพาะพโยคาวจรของเรา ที่แก้ทีนัมิทะไม่ได้ขอให้สํานึกให้มากกิเลสสามตัวนี้หนึ่งอัศทะในทีนัมิถะเป็นหลงมันโดยไม่เป็นอนิจจังยังไม่เห็นอนิจจังยังไม่พ้นมิจฉาทิฐิยังหลงมันว่ า, วาของเสพของอร่อยสมีมานะถือตัวว่ารู้แล้วถือตัวว่าตัวละเอียดละออนแล้วถือตัวว่าเก่งแล้วไม่ฟังก็ได้อย่าว่าแต่เพื่อนสหธรรมิกที่เขาอาจจะมีเหลี่ยมคูที่ดีแล้วก็คอยฟังตั้งใจฟังเผื่อฟังไปแล้วได้จุดดีจุดใหม่ เกิดมานะอาจารย์แท้ๆพูดสอนไม่ฟังไม่ใยดีไม่ใส่ใจรู้แล้วรู้แล้วแล้วก็ติดอัตสาหาอันนั้นแรงมันจึงดึงให้มีมานะด้วยและก็ไม่มีอัตไม่มีปาโมดมีแต่อรติไม่ยินดีไม่ใส่ใจไม่มีฉันทะไม่มีความกระตือรือร้นไม่ร่าเริงในธรรมไม่เบิกบานในธรรมไม่ยินดีในธรรมไม่พอใจในธรรมไม่เจริญสามตัวนี้จําไว้ให้มา เพราะฉะนั้นแต่แม้เราจะฆ่าอัดสาธะเห็นแล้วว่าโอ้นี่เห็นจริงพลมิจฉาทิฐิเห็นด้วยเข้าใจด้วยเข้าใจจริงๆเป็นสมาธิถิ่แล้วว่าอืมจริงมันไม่ใช่ของที่ควรเสพควรติดควรมีควรเป็นควรได้เราพักผ่อนพอแล้วเราไม่ได้อะไรแล้ยพอเราอย่ามานั่งทําอันนี้ใครขี้หน้าเขาต้องมีฮิริให้มากมีโอตตปะให้มากรู้ให้สําคัญรู้ว่ามันเป็นตัวทรมานตัวทนทุกข์พยายามหาศีลพลดและใฝ่ใจภาคเพียนบําเพ็ญตน ให้มันลางลางลางลางจนวิราคานุปัสสีจนนิโรธานุปัสสีให้ได้เลื่อยไปถ้าดับได้สนิทเป็นนิโรธตอนนี้ก็สลัดคืนได้ปฏินิสัคะได้รสอร่อยก็หายไปถึงอนัตตาอนัตตาไม่ได้ถึงโดยขันการคิดนึกอนัตตาไม่ได้ถึงได้โดยความเข้าใจฟังดีๆตรงนี้อนัตตาไม่ได้ถึงได้ด้วยความคิดนึกอนัตตาไม่ได้ถึงได้ด้วยความเข้าใจ แต่อนาตตาถึงได้โดยการล้างกิเลสออกชาระหมดจดมันเป็นสุญญาตามันเป็นอนาตามันจึงจะเป็นอานาตตาถ้าล้างกิเลสไม่หมดไม่เป็นอานาตตาไม่ศูญเพราะฉะนั้นอธิบายว่าสุญญาตาก็ตามอธิบายว่าอนาตาก็ตามมันเป็นความหมายอันเดียวกันซึ่งมันไปยืนยันสภาพธรรมที่มันหมดสิน้น สภาพธรรมที่มันเป็นนิพพานสภาพธรรมที่เป็นวิมุตต์เราจะเรียกสุญญตาเราจะเรียกอนัตตาเราจะเรียกวิมุตต์หลุดพ้นเราจะเรียกอนัตโตปรตโตวิตตโ ต, ตโตตุตชะโตสุญญโตมันก็เป็นสภาพเดียวกั น, นเป็นสภาพที่อธิบายความหมายของสิ่งนั้นจริงและต้องตามเหตุปัจจัยด้วยถ้าเป็นเรื่องของอบายมุขเป็นเหตุตอัศาธาตัวนั้นมันหมดจริงๆ ในเหตุปัจจัยอันนั้นอบายามุกอะไรล่ะสมมติเหล้าของผู้ชายใครติดเหล้าใครติดบุหรี่ของผู้ชายสมมติเครื่องแต่งตัวของผู้หญิงสมมุติกามาเมถุนของใครคนหนึ่งสมมุติทีน้ำมิถะของใครคนหนึ่งมันก็เป็นสภาพสุญญาตามันก็เป็นสภาพอนัตตานะซึ่งมันเหมือนกันหมดอาตมาก็มาทบทวนดูเออเรานี่อธิบายมันไม่หมดจะยังไงที่จริงมันก็หมดนะมันก็ นี่อย่างนี้เป็นต้นอย่างอนัตตาเนี่อธิบายไว้ในหน้าสอง้สิบปดในทางเอกภักพหนึ่งนี้อนัตตานั้นคือความไม่เป็นตัวเป็นตนไม่เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่โดยแท้จริงโดยแท้โดยจริงไม่ใช่เราใช่เขาไม่ใช่อะไรที่จะไปกําหนดมั่นหมายให้แน่แท้จริงๆที่จริงมันควรจะเติมไม่เป็นสุขเป็นทุกข์ด้วยหรือไม่เป็นรสอร่อยอีกแล้วนะ อนัตโตมันพร้อมที่จะเป็นอื่นไปทุกขณะแห่งเสี้ยววินาทีและมันก็เป็นอื่นไปทุกเสี้ยววินาทีจริงๆปารโตแล้วมันเป็นไปมันไปเป็นศูงแล้วมันเที่ยงแต่ขณะที่มันยังไม่เป็นสูงมันไม่เที่ยงเลยสุกเดี๋ยวนี้เปิดเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงแล้วปเดี๋ยวเดียวเปลี่ยนไปแล้วนั่นยังมีตัวตนพอไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาแล้วเอ๊ะมันไม่เป็นทูกข์มันไม่เป็นทุกข์นี่มันก็ไม่มีมันเป็นอื่นไปหมดแล้ว ปรโตมันไม่นิ่งไม่มีหยุดมันมีแต่เคลื่อนไปแผ่ไปกระจายไปจะไปสำคัญมันหมายเอาว่าเที่ยงในโลกยืนยงอยู่อย่างเก่ายืนยงอยู่เป็นอย่างเก่าเป็นอันเก่าอยู่อย่างนี้อยู่เหมือนเดิมไม่แปรปรวนนั่นไม่มีเลยอันนี้วิตถะโตมันไม่อยู่ให้เราเห็นว่ามันเป็นสภาพเสพสุขเป็นอัสาธาตายตัวอยู่นั่นเอมัน่น ไม่เป็นไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้ามันจางคลายหายไปหายไปมันหายไปได้ก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงเราทําลายมันได้มันเป็นตัวไม่แน่พอทําลายหมดแล้วกลับเที่ยงเราเรียกภาษาธรรมะอีกอัคำหนึงเรียกว่านิยตะนิยตะกับนิจจะนี่มันใกล้ๆกันนิยตะหรือนิจจังเนี่ยมันแปลว่าเที่ยงหรือมันแปลว่าเสมอเสมอเอนิแตนิ ต, ะนตะยะนิยตะ มันใกล้ๆ ก, กันกับอนิจจะเนี่ยแต่ภาษาบาลีท่านแยกสองคำโดยคํานี้ประเดี๋ยวมันจะไปชนกับคํานี้ซะบอกว่าประเดี๋ยวก็บอกว่าไม่เที่ยงประเดี๋ยวก็บอกว่าเที่ยงปรเดีย happened, เด๋ยวคนเขาเมาคนฟังเนี่ยมันซ้ําภาษามันจะเมาแต่บาลีเขาแยกไว้แล้วภาษาไทยเราแปลเป็นคําเดียวกันว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้านิจจะเที่ยงถ้าอนิจจะไม่เท <imminent S 1> ี่ยง น, นิยตตอะนิยตตแปลว่าไม่เที่ยง อนนี้ตาแปลว่าไม่เที่ยงไม่จริงฐนิยะตาก็แปลว่าเที่ยงแปลว่าจริงเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดฆ่าจนกระทั่งนิโรธได้สนิทหมดอัดสาธะเป็นอนัตตามันิยตะมันเที่ยงอยู่ว่างๆเนี่ยมันไม่มีรถอะไรมันไม่ติดรถอะไรมันมันเที่ยงมันอยู่อย่างเงี้ยเสมอเมื่อใดเมื่อไร่มันก็ว่างๆเสมอเมื่อมันไม่ไม่ม่ไม่มีรถนี้แล้วมันไม่เอารถนี้แล้วเอ้ยมันสบายเบาว่างเที่ยงดีไอ้ที่มัน เสพสุกนี่พระเดี๋ยวมันสุกประเดี๋ยวก็ต้องทุกประเดี๋ยวอยากอีกแล้วอยากอีกก็ไปหาเสพอีกเสพอีกได้สุกอีกปรเดี๋ยวมันก็ไม่เหมือนเดิมมันก็ไปอย่างไงนะประเดี๋ยวก็อยากใหม่มันเที่ยงอะไรเป็นอย่างนี้อยู่นานับชาติอยู่ตลอดกับการเมื่อไหรเมื่อไรก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครล้างมันจนกระทั่งไม่มีอารมณ์อัดสาธะนี่ไม่มีกิเลสนี้เที่ยงศุนอนัตโตปราโต ว, วิทโตตุจโ ต, ตไอตุจโตก็คือ และมันไม่มีแกนเที่ยงแกนแท้อะไรยืนยงจริงๆหรอกมันไรแก่นสารมันไม่ใช่สิ่งที่พึ่งนิรันดรนอะไรอย่าไปหลงมันอยู่เป็นอันขาดมันไม่ใช่แก่นสารมันไม่ใช่ที่พึ่งนิรันดรมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องไปพึ่งมันได้อย่างสบายจริงๆ เพราะนะั่ถ้าสุญญาตาแล้วถ้านิยตะหรือว่านิพานหรือดับได้แล้วนี่แหละที่พึ่งอันกเกษมนี่แหละที่พึ่งอันสบายไม่ต้องไปคอยแสวงหาไม่ต้องเป็นภาระไม่ต้องหนักไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลำบากไม่ต้องไปปุ่นเห็นไหมเห็นชัดๆไหมมันชัดจริงๆนะอาตมาก็อยากให้เห็นชัดๆทำไมมันไม่ชัดนะเอาอะไรขัดดีมันถึงจะชัด มันชัดชัดเลยนะมันไม่ต้องไปสาแสวงฮาไม่ต้องไปเน็ดเนยไม่ต้องไปลำบากไม่ต้องไปนั่งปั่นนั่งคุมไม่ต้องไปประเดี๋ยวเสพประเดี๋ยวไม่เสพหรือแม้แต่เป็นนั่งหลับเนี่ยเดี๋ยวต้องไปนั่งหลับเอามันถึงเป็นปอเดี๋ยวไม่นั่งหลับมันนั่งรับรู้ไว้น้นน่นไอ้นี่เอ๊ะมันก็ไม่สงบ มันต้องไปสงบหลับก็ไม่ต้องไปทําเอาเหมือนกันต้องไปกินเวลาใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าว่างแล้วไม่ต้องไปเสพติดแม้แต่อารมณ์หลับอารมณ์หยุดสนิทอารมณ์อะไรต่ไรแบบหยุดแบบเนี้ยยบแบบหลับตาเนี่ยอันนี้ชักยากขึ้นหน่อยแต่สแสวงหากามสแสวงหาอบายมุขมันหนักมันเห็นชัดมันมีตัวตน แบบหยาบมีดินน้ำไฟลมประกอบแต่ว่ามาสแสวงหาทีนามิทะเนี่ยอย่างน้อยมันก็กินเวลาเมื่อคุณไปเอาเป็นทีนามิทะคุณไม่เป็นภาษาเลยคุณไม่มีท่าเลยช่วยอะไรใครเขาก็ไม่ได้ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาด้วย <IT> คุณกินเวลาคุณเป็นคนเสียเวลาอยู่กันนั้น <IT> อย่างน้อยคุณก็ไปเบียดเบียนเวลามาทีนามิทะแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่มีแม้อัศธ า, าของถีนามิทะด้วยมันไม่ต้องนี่ไม่ต้องไปเบียดบังอะไรเวลลมเวาอะไรแต่อะไรก็ไม่รู้พักรู้เพียร ถึงเวลาควรพักพักนี่เป็นการตรงเป็นการจริงไม่พักขึ้นมาก็ทําอะไรไปรู้อะไรก็เข้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เป็นผู้ยินดีอยู่แม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อยก็ยินดีไอสภาวธรรมที่ว่ายินดีปราโมทนี่นะมันไม่เหมือนอะไรอะไรในโลกแม้เราจะเหนื่อยแม้เขาจะดา่าเราอยู่ก็เออสองสารเขานะแต่เราทํางานทางธรรมเนี่ย ไอคนนี้เขาด่าเราเราก็ไม่มีอารมณ์ไม่ยินดีอะไรเออก็เขาดา่าเออเขาด่าถูกไม่ถูกเราพิจารณาด้วยเห็นว่าเออเขาด่าเราไม่ถูกนะ่าเขายังโง่อยู่ก็สงสารเขาไม่มีความหดหู่ไม่มีความไม่ยินดีมันสบายใจยอยู่ตลอดโลกไม่เปลี่ยนแปรไม่แปรปลวนเป็นที่พึ่งกันกเกษมอยู่ตลอดเวลาประเดี๋ยวกลับเป็นหดหู่ปรเดี๋ยวกลับเป็นยินดีไม่ใช่เที่ยง นิยต์เที่ยงนิยตะเที่ย ง, ยยงเพราะฉะนั้นศาสนาพระเจ้ า, าไม่ใช่ศาสนาไม่เที่ยงเท่านั้นนะศาสนาเที่ยงด้วยเมือเอม่อเป็นอรหันตผลเมื่อเป็นอรหันตเสร็จแล้วมันเที่ยงไม่แปรปลวนไม่แปรปลวนเที่ยงมันสบายอยู่อางนั้นน่ะมันมีอะไรมากระทบมันมีอะไรมาเป็นอย่างงน้นอย่างนี้อยู่ในโลกเขารู้โลกโลกเขาจะเป็นยังไงยิ่งรู้ลึกซึง้งลึกซึง้งลึกซึ้งขึง้นเรื่อย ยิ่งรู้ยิ่งรู้ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดแจกหรือว่าเห็นเข้าใจแต่ละความหมายแต่ละสภาวะธรรมของแต่ละตัวแต่ละตัวของภาษาแค่ี้คเนียที่จริงภาษาแค่นี้เรียนมากันสองพันกว่าปีแล้วไม่ใช่สองพันกว่าปีเท่านั้นในอุปนิสัตตในภาษาบาลีในภาษาของแขกเขาเนี่ย ในศาสนาอื่นลัทธิอื่นเขาก็ใช้ภาษาซ้ากันนีเยอะไม่ใช่ของพุทธเท่านั้นศาสนาพุทธก็เอาภาษาของเขาทํารรมธรรมดาขเขามาแต่อธิบายในความหมายที่แม่นเป้าชัดเด่นทำลายถูกสิ่งที่ควรทำลายและก็เหลือสิ่งที่ประเสริฐที่ควรเหลือเพราะรูปนามคันธ้ามันอยู่พอได้สักอุ ป, ปาฏิเสสนิพานแล้วรูปนามคันธห้ามันอยู่ เหตุปัจจัยแค่โสดาบันก็มีสอุปาที่เสสนิพานขนาดหนึ่งคือขนาดปัจจัยแค่ต่ำๆห ย, ยาบๆพอพ้นกามาสังโยน์ปฏิฆะสังโยน์<อ>ก็เป็นพระอนาค า, ามีก็พน้นด้วยเหตุปัจจัยแค่นั้นตแต่ก็เป็นหมดอัตสาธ้ไปอีกเหมือนกันมีอนัตตาแล้วมีอนัตตารมไปตั้งหลายแล้วยิ่งดับขั้นจิตในจิตขั้นธรรมารมขั้นอัตตา พระอาอาคามียิ่งดับไปได้อีกละอียระเอียๆ์ระเอียป ก, อ ก, อ ก, อกโอ้โหโจึงจะเข้าใจถึงจะเห็นเด่นชัดมากที่สุดเพราะฉะนั้นแม้แต่ผู้ใดเนี่ยศึกษ า, าศาสนาและปฏิบัติาศาสนามาพอมาละได้แค่ฐานโสดาส ก, กิทาแล้ไเข็นขึ้นอาาคามีเนี่าศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยมันสูงตรงที่มันเข็นเลยอนาคามีขึ้นไปเป็นอรหันต์ได้ ศา ส, สนาอุจามันเค้นตรงนี้ศาสนาเดียรทีไม่มีเลยอรหันไม่มีศา ส, สนาเดียรทีไม่มีอรหรันไม่ใช่ข่มเขานะไม่มีได้อย่างเก่งก็แค่อก็ไม่เสพกามได้แล้วก็เก่งแล้วเก่งแล้วจะรู้รายละเอียดลึกซึ้งยิ่งไปกว่านั้นสุขุมประนียิ่งกว่านั้นไม่อนุสัยอาสวะต่างๆที่จะแน่นอนแม่รู้ปราคะอรูปราคะเศษของกาม ไม่ไม่ได้ล้างยิ่งมานะยิ่งไม่รู้เรื่องแต่เขาสอนกับไปในแนวโน้มของของประเภท <คน S 2> ไม่ต้องเป็นมานะอีกคือมานะนี่มันมีทั้งอวดใหญ่อวดเบ่งมันมีทั้งไม่งอใครชั้นสูงและใช้คนหนีฉันจงมางอฉันฉันจะออกไปอยู่ภูเขายอดฮิมาลัยตามฉันมามกี่<อ>คนก<อ>็ตามฉันมาก็ตามใจไม่ตามฉันมาฉันก็ใหญ่ของฉันอยู่แล้ว ไม่ง้อไม่งอนใครศาสนาพวกนี้มีแนวโน้มไปในทางไม่สอนใครเพราะสอนมันต้องใช้ความพยายามสอนมันต้องใช้ความพยายามและความแน่ใจเห็นความจริงก็คือจะต้องครบหัพระพุทธเจ้าจึงเรียกธรรมะของท่านว่าโลกุตรธรรมเหนือโลกไม่ใช่หนีโลกภาษาไทยอันนี้ชัดเหนือโลก ไม่ใช่หนีโลกศาสนาอื่นหนีโลกจึงไม่ใช่ศาสนาพระหุชนะหิตายะพระหูชนะสุขายะท่านยืนยั น, นพระรูปเจ้าทั้งยืนยันแม้ที่สุดทรงสาวกออกไปเผยแผ่แล้วพอวันมาคับปุณณมีครั้งหนึ่งที่มีสาวกมารวมกันพันสองหองค์ท่านก็ยืนยันในพระโอวาทปาติโมกว่าศาสนานี้เป็นศาสนาหรือแม้แต่วันแรกที่จะ ส่งออกไปเผยแพร่ท่านก็บอกว่าไปเธอไปช่วยเหลือเฟื้อฟเพื่อพระหูชนะอิตายะพระหูชนะสุขายะท่านบอกอะไรจริญรรพระหูชนะอิตายะจริญพระหูชนะอิตายะพระหูชนะสุขายะในวันที่ท่านจัดให้ส่งหกสิบรูปออกไปบอกไปจงจาริกออกไปจริญจงดําเนินไปเพื่อจริญจงดําเนินไป เพื่อพระหุชนะหิตายะพระหดชนะสุขายะท่านยืนยันยืนยันตลอดเวลาว่าศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาที่มีตัวตนเหลือตัวตนเสพติดเป็นตัวกตั้งสุดท้ายแม่แต่มันนั่งสงบติดสงบอยู่อะไรอย่างี้มันไม่เป็นศาสนาแห่งการช่วยเหลือผู้คนผู้บุกบุกคนอื่นได้มีหลักฐานยืนยันมีแต่แม้พยัญชนะยืนยันอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ใดที่ยิ่งปล่อย วางยิ่งพยายามเรียนรู้จับอัดสาธะในทุกเหตุปัจจัยทุกระดับสังโยชน์ไล่ามาไล่ามาไล่ามาทุกนิวรเรียนรู้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็จะละเอียดลึกซึ้งจริงๆได้เห็นตัวตนจริงๆนะทีนี้ก็ขอขอย้อนกลับมาหาอนิจจังทุกขังหรือทุกขะเนี่ยอนัตตาสภาพสามตัวนี้ หะแรกครั้งแรกที่เห็นอันิจจังนั้นไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาแล้วก็ยเห็นอนิจจังทุกครั้งอนั้นตาเขาจะพูดรวมกันเสมอพวกนี้พวกนั่งหลับตาหรือพนึกคิดเนี่ยเขาจะแยกเป็นตัวๆไม่ออกแล้วมีกรรมวิธีว่าผู้จะพ้นมิจฉาทิฐิได้ก็เพราะว่าเห็นรูปเห็นเสียงเห็นกลิ่นเห็นรสเห็นสัมผัสเห็นในทวาวรหกเห็นในรูปเห็นในปัจจัยหกนี้เป็นอันนิจจังสูตรนี้เขาจะไม่รู้เรื่องเลยบุคคลเหล่านั้นไม่รู้เรื่องเขาจะนั่งหลับตาเอา ออยู่ไหนละตาหูจมูกรินกายตาก็หลับปากก็ใบจมูกก็ไม่ได้กินอะไรเอากรรมตดไปใส่จมูกยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วจะมาบอกว่ารู้เป็นอันดิจังอะไรไม่รู้เรื่องคอ่ะจริงๆ <c oughs> พวกนั้นนั่งหลับตาอุย้ยเห็นอันดิจังเกิดดับเป็นทุกครั้งอันั้ตาเห็นพระัยรัก <c oughs> ไปถามในะพวกนั่งหลับตานะ่ะนะโม้ขมงฉงแข็งดีเหลือเกินโมจริงๆอัตมาใช้คําว่าโม้ มันไม่เข้าท่าเข้าทางเลยเอาสูตรพระพุทธเจ้ามาจับเนี่ยมันไม่ติดเลยส่วนประเภทนักคิดนี่พวกนี้พวกสายเจโตส่วนประเภทนักตกกรกะศาสตร์ตรกะวิทย า, ายก็ น, นั่งคิดโอ้โหรูปนามขันหาเกิดดับเกิดดับเป็นทุกขงังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนพวกนี้เป็นลูกสิทวัศ และพวกนี้ส่วนมากมีปัญญาเลี้ยงตัวเองได้มีฐานะทางการเงินมีความสามารถพอเลี้ยงตนเพราะนี้จะมีอารมณ์เสพอยู่เสมออยากเสพอะไรก็พอมีเงินทองมีของที่จะซื้อหามาเสพเสพทางปากทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายเขาก็จะเสพของเขาได้เขาก็บอกว่าโอ้สบายแม่อย่างนี้อนัตตาและว่างสบายเลยนิ่ผ่านการ ม, มันก็จิตว่างนี่กามแกมอะไรไม่เข้าใจ ฉันพบใจรักแล้วก็ใจรักมันแปลว่าไม่มีตัวตนฉันอยากเสพฉันก็เสพไปฉันก็ไม่ทุกนี่มันไม่ทุกแล้วนี่พวกนี้จะเอียงเทไปในทางอุดเฉทิฏฐิตายแล้วก็ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีศูนย์และไม่มีอะไรเกิดอีกไม่รู้จิตเจตสิกที่แท้จริงไม่รู้พวกนี้จะไม่รู้รูปนามที่แท้จริงหรือนามรูปที่แท้จริง พวกนี้จะยังมีอวิชชาไม่รู้จักสังขารธรรมสังขารธรรมของนามสังขารธรรมของจิตจะไม่รู้รูปของจิตจะไม่รู้นามของจิตเพราะอวิชชาจึงเกิดสังขารสังขารนั้นคือจิตสังขารไม่ไม่ใช่กายสังขารไม่ใช่ดินน้ำไฟลมสังขารแต่จิตสังขารเป็นอัตสาธะปรุงมาเป็นรสไม่รู้รสอันนี้ รถอันนี้เกิดมาเป็นรถนี้ก็ไปหลงมันว่าเป็นวิญญาณและมันก็กลายเป็นตัววิญญาณผีกินตัวพวกนี้อวิชาจึงไม่รู้สังขารจึงไม่รู้วิญญาณจึงไม่เข้าใจนามรูปจริงๆหรอกแต่รู้นามรูปโดยต ก, กะศาสตร์รู้นามรูปโดยตะกะวิทยาเพราะฉะนั้นต่อไปให้จึงไม่รู้สลระยะตนะสาระยะตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายไม่รู้จัก อายตนะตาทวานตาก็อย่างหนึ่งวิญญาณตาเรียกว่าจากักขูวิญญาณก็อย่างหนึ่งอายตนะตาก็อย่างหนึ่งเรียกว่าจากัจากขูทางอายตนะมันมันอายตนะมันคืออีกสิ่งหนึ่งที่มันละเอียด มาเป็นภาษาไทยก็คือตนอายะตนอายะตนในทางเอกอธิบายไว้แต่ป ร, รียนก้าวประโยคเขาหาว่าเราพูดไม่ถูกคำว่าตนคำนี้แหละมาใช้ในความหมายของภาษาไทยนี่แหละอันเดียวกันเลยมาจากภาษาบาลีมันเป็นตนอันลึกซึ้งมันเป็นตัวของตนเป็นต น, นะเป็นสิ่งที่ยังมีบทบาทยังเป็นไปอยู่แต่ละเอียดน้อยนิดเหลือเกิน เขาจึงแปลตะนะว่านิดนิดน้อยตะนะเนี่ยอายะมันแปลว่าหลงว่ากำไรหลงว่าเป็นประโยชน์สิ่งนี้มันยังอยู่ในจิตในจิตไม่ใช่ตาที่เป็นทวารไม่ใช่ตาที่เป็นวิญญาณแต่ละเอียดกว่านั้นเป็นอายะตะนะทางตาหรือเป็นอายะตะนะที่เชื่อมโยงมาจากทวารตามาจากวิญญาณตาแล้วก็มาเหลือเป็นอายะตะนะ เพราะฉะนั้นยิ่งจะไปถึงอายตนะทั้งหกล่าวไปใหญ่คนพวกนี้ไม่รู้ฟังให้ดีนะนี่พูดถึงปฏิจสมุกบาทโดยนัยะอย่างหนึ่งให้ฟังเพราะยิ่งต่อจากอายตสารยตนะแล้วไปถึงผัสสะไปถึงเวทนาแล้วจะไปรู้สุขเวทนาทุกขเวทนาไม่รู้ทุกเมื่ อ, อไหร่อยากหาแล้ว ก, ก็ได้เสพแล้วเขาก็บําบัดทุกนั้นด้วยการเสพทุกทีไปพวกนี้ไม่เคยล้างไม่เคยล้างสุข โดยความจริงแล้วสุขมันไม่มีเราไปหลงว่าอัศาธานี้เป็นสุขที่จริงสุขไม่มีมันเป็นทุกข์ต่างหากพอะฉะนั้นผู้ใดพอเห็นอัศาธาแล้วอายะนอกจากมันไม่จริงและมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์ต่างหากผู้นี้เลยเจออริยสัจแต่ก่อนนี้ไปหลงว่าสุขนี่เป็นอริยสัจโอ้ยเป็นความจริงนิวาแล้วเรานึ ก, กว่าตัวเอง ตลาดเปล่วตัวเองโง่แต่ไม่มีใครเขาว่าหรอกนะถ้า ต, ตัวเองก็คงไม่กลา้ายืนยันว่าตัวเองเสพความสุขโลกียรรถนี่เป็นอริยะคงไม่ผิดใครเขาว่าแต่คนว่านะอะไรก็คงคนบ้าเอาว่าก็มันไปเขาแกป๊ปเลยไม่ว่าได้ไงนะหลงว่าสุขนั้นเป็นของควรเสพเป็นสัจจะอย่างหนึ่งที่จริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่ความจริงภาษาสัจจะนี่ภาษาบาลีแปลว่าความจริงก็ได้ อนิจจังหรือว่านิจจังเนี่ยแปลว่าคบความจริงมันอ น, จนอิจจังมันอสัจจะมันไม่จริงความสุขมันไม่จริงพระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าความสุขไม่จริงท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์และมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ดับได้ลองดูสิฝึกหัดล้างมาันดูนิโรธได้เมื่อนิโรธได้จริงคนจึงจะเข้าถึงอนัตตาพอลองดับดูดับดูดับดูดบดโอ้ ไอ้ที่ทนได้ยากก็ชักจกพอทนได้ทนได้โดยไม่ลําบากทนได้โดยไม่ยากทนจนก็ได้ไม่ต้องทนเลยเฉยเฉยไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนไม่ต้องทนก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะไปเป็นเองเมื่อไหรไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นยิ่งไปมีผัสสะมีเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอะไรอีกแล้วก็ไปเป็นปัญหาแล้วก็ไปเป็นอุปท า, านตามปฏิสมุบบาท ไม่ได้เรื่องหรอกแต่เขาไล่เก่งเขาไล่ตัวหนังสือแล้วแปลภาษาแต่ละตัวแต่ละตัวเก่งแล้วเขาก็ขยายเป็นแนวระนาบขยายไปเฮ้ออะไรเยอะแยะแต่มันไม่สัมพันธ์สัมพันธ์ล้ลึกสัมพันธ์ล้ลึกลึกซึ้งลึกซึ้งลึกซึ้งลึกซึ้งมันไม่สัมพันธ์อย่างนั้นอาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงทั้งพูดทั้งแสดงท่าแหมไมนรู้จะทํำยังไงมันไม่สัมพันธ์ลึกซึ้งอย่างนั้น เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ได้แต่ภาษาอธิบายกันไปเข้าใจกันไปนั่งคิดคเนคหนึงไปเป็น ต, กตักกระสัดพวกนี้เขาเก่งเลยพูดป๊อปูปน้ำขันห้าอันนี้จังทุกขังอนัตตาใช่มันเป็นตัวจบมันเป็นตัวที่สูงมันเป็นตัวที่จะถึงขั้นอรหัตผลถึงอริยสัจถึงขันน้นญาญญาณวาสมาทิงวา พลังวามันเป็นเรื่องของอุตตริมนุษยธรรมนาะมันไม่ใช่เรื่องตื่นๆ น, นะแต่เขาชอบอธิบายกันเหลือกเกินพอพูดถึงแค่ศีลแค่นั้นไม่รู้เรื่องศีลอะไรไม่เข้าใจเมืออย่างอธิบายเมื่อช้าแล้วมันไม่มีศีลศาสนาจรงไม่มีแม้แต่ประกาศออกมาเป็นทางการใหญ่โตเอาเข้าวสารใส่บาทหน้าอย่างนี้ฉิบพายแล้วเราก็ทํางานไปเถิดโอ้คนไม่รู้ศาสนา ศีลแม่บทศีลพระธรรมนูญมีบอกไว้แล้วยาเอาทาตธัญญาหารหยิบเธอต้องไม่รับธัญญาหานดิบนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเปล่าเลยเอารถกระบะไปด้วยแม้ข่าวนี้ได้สองกระสอบข้าวสารวันนี้งานสงกรานได้สองกระสอบวันนี้งานปีใหม่ได้สากระสอบเอารถกระบะไปเคียงข้างด้วยรับมาได้ของพวกนี้พระเจ้าไม่สอน นักบวชพระพุทธเจ้าไม่สะสมแม้แต่ข้าวไม่สะสมข้าวไม่สะสมน้าไม่สะ ส, ส, สมยานไม่สะสมผ้าไม่สะสมอะไรต่อะไรเป็นศีลอยู่ทั้งนั้นแต่ไม่รู้เรื่องอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดถึงศีลเลยเขาจะพูดกันแต่ประเภทมานะประเภทความสูงจะพูดกันี่โอ้โหอีทับปัจจยตามปฏิสมุบูรณบาทไตรลักษณ์น่งพูดไปแล้วนี่มันก็ทับถมข่มเขาไงา อาตมามาพูดทีหลังแต่ก่อนนี้อาตมาก็พูดบอกว่าจะเพิ่งพูดกันได้ไหมได้ไหมได้ไหมเขากะว่าอาตมานี่ไม่พูดอาตมาบอกอาตมารู้มากรู้ผลนาและมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องพูดกันอาตมาก็ได้แต่สาธยายพิสูจน์ความจริงโดยอธิบายธรรมะตั้งแต่ศีลสมาธิโภชเนมตะตัญญาตศีลอ่าสมบุรอินทรีย์โพชเนมตตัญญ า, าตมาทํากันจริงจริงจไล่มามีสติชาครโรมีชาคริย า, านุโยคะ พยายามไล่กันมาจกนกระทั่งบัดเนี้ได้ตัวได้ตนมาพิสูจน์แล้วอาตมาก็คอยมาอธิบายถึงมากถึงผลบ้างแล้วก็ชี้ให้กคุณยืนยันบ้างได้ฐานทับมาพอสมควรและมีแต่จะมาเพิ่มฐานถ้าพวกเรานี่ไล่ฐานตีฐานถีน่ะไม่แตกตีฐานอุทธจัชนี้ไม่แตกเราจะไม่ได้วันนี้ถ้าผู้ใดฟังดีๆจะมีอรหันเกิดในวันนี้ เพราะว่าจิตน่ะถึงแล้วแต่ปัญญายังไม่แหล่นเรายังอยู่ในฐานอนาคาคาเนี่ยยังอยู่กันหลายนานหลายองค์เหลือเกินฐานอนาคาคาตีไม่แตกสกทาคามีจะสูงขึ้นก็ไม่สูงเพราะอะไรเพราะทีนมิท่าถ่วงสกทาคามีบ้างทีนมิทะนี่มันถ่วงจะเป็นอนาคามีได้เต็มรูปก็ไม่ได้อยู่ไม่แค่นั้นน่ยมานะก็ยังใหญ่อ ย, อยู่งั้น จะมีความสุ ข, ขุมละเอียดลึกซึ้งก็ไม่ขึ้นเพราะมันไม่ได้วัดวุธิวุธิวุธิธมันไม่วุธิมันทรงทรงแล้วมันสุดจนกระทั่งบางทีก็หมุนเวียนจนกระทั่งแหมจะทนไม่ได้แล้วจะดุจจะล่อนจะหมุนเวียนลงต่าเพราะมันยังไม่เที่ยงมันยังไม่เที่ยงฐานของอนาคามีก็ยังไม่เที่ยงยังไว้ใจไม่ได้ เพระนาคามีที่เที่ยงแล้วไม่มีวอกแวกอะไรแต่มันก็ยังมีไอพวกนี้หลอกกันอยู่ตลอดเวลามันไม่งามพร้อมมันเพราะว่ามันไม่ไม่มันมีอ่ะมีความไม่ยินดีและมันก็มีมานะและมันก็ติดอัดสาทะของสิ่งนี้เพราะฉะนั้นพยายามเห็นใ้จริงว่าเราหลงอัดสาทะสิ่งนี้หรือเปล่าเราเข้าใจมันเป็นอนิจจังหรือเปล่าว่ามันเป็นของไม่จริงมันเป็นของไม่เที่ยงพนมิจฉาทิฏฐิหรือยัง บางคนจะรู้บ้างแล้วหลักเกิดยานบ้างแล้วล่ะแต่ยังไม่ใช่ยานขั้นที่เรียกว่าพ้นวิจิกิจฉาเมื่อยานไม่พ้นวิจิกิจฉามันก็ไม่เพียรที่จะหาศีพลพรตขึ้นมาทําลายเพราะมันไม่พน้นยานไม่พ้นวิจิกิจฉาพอยานว้นวิจิกิจฉาแล้วเราจะรู้ว่าเป็นตัวทุกแท้ฮิริมีมากโอตตะปามีมากหาศีลหาพรตมาทําลายมันเมื่อหาศีลหาพรตมาทําลายมันมันก็จะจางคลายจางคลาย คุณตามเห็นความจางคลายได้สุดท้ายคุณก็เห็นความนิโรธได้เมื่อมันนิโรธจริงเมื่อมันหมดจริงอนัตตาจริงมันไม่มีตัวทนของสิ่งนี้จริงมันยังจะเป็นของจริงถ้าเราไม่มีหลักเกณฑ์อะไรประพฤติเลย อ, อยู่ดีๆคิดเอาง่ายๆแล้วมันก็ได้สําเร็จมันไม่มีมันไม่มีม ไ, มมไม่งั้นาศาสนาพระเจ้ามันไม่ยากเย็นแสนแข็งขนาดนี้หรอก พระอานนทนะ์ท่องตำรานี่ให้เราเรียน 45, สี่ห้าพรรษานี่พระอานนท์ท่องมาทั้งนั้นเนี่ยอยู่กับพระเจ้ามาตั้งไม่รู้กี่ปีท่องมาทั้งนั้นแต่เส็ยแล้วพระเจ้าจะบปอิณิพานก็ยังร้องไห้ก็อือก็อือยังไม่บรรลุเลยถ้ามันมีจริงกัรู้ขนาดนี้แล้วมันไม่บรรลุมันยังไงพระพุทธพระอานนทนะ์แสนที่จะยกย่องมาเป็นพระหุสูตรพระหูสูตรบกสูตรพระหูแปลว่ามากมายแบกสูตรตั้งมากมายใครมาถามก็ว่าคล่อง ไม่มีตกมีไม่มีหล่นอธิบายได้แต่ตัวเองก็ยังพระพุทธเจ้าปรินิพานร้องไห้เลยก็ต้องมาบำเพ็ญต่อไปอีกจนพักใหญ่ทั้งหลายเดือนจนกว่าจะแทงตลอดจนกว่าจะจิตเจโตวิมุติได้มันไม่ใช่ของเล่นพระพุทธเจ้าก็ไม่รับรองตอนที่จะปรินิพานได้ก็บอกยังอโนนเธอประเพียนไปอีกจนกว่าเธอจะบรรลุเธอยังไม่บรรลุหรอก ซึ่งผู้อื่นที่บรรลุแล้วจะก็รับรองผู้บรรลุก็ อ, อนนลไม่บรรลุจริงๆแล้วจะไปบอกบรรลุได้ยังไงก็เธอพิสไม่อีกอีกเธอจะบรรลุมันไม่ใช่ของเพียงรู้เพียงฉลาดหลักแหลมพระอนน์อมไว้แล้วก็พูดจําได้ทั้งนั้นตั้งแต่ก่อนที่จะบรรลุไปพระอราหันต์ท่านก็จําได้ที่เล่าเล่านี่เล่าตั้งแต่ท่านยังไม่บรรลุอราหันต์แทบทั้งนั้นนะ่ยที่เป็นสูตรนั้นสูตรนี้ของท่านจําได้มาทั้งนั้นแต่ท่านก็ไม่บรรลุ พรออาะฉะนั้นพวกนักรู้นี่ระวังนะนักรู้นักรู้แล้วไม่จริงไม่ใช่ของเล่นนะไม่ใช่รู้แล้วมันก็จะบรรลุไม่ใช่รู้แล้วต้องพิสูจน์แม้แต่อา น, นิจจังต้องให้เกิดพ้นวิชาทิฏฐิด้วยความเป็นอา น, นิจจังแม่ภาษามันยากนะอาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงพยายามว่าวันนี้ก็ว่าหมายเราเก่งนิรุตติแล้ววันนี้เข้าใจนะเราหลายๆประเด็นหลายอันแล้วก็พูดมามากแล้ว วันนี้น่าจะเอามาสรุปวนเวียนเข้าแทงเข้าไปหาแม่แต่เอาปฏิสมุบบาทมาเกี่ยวบ้างเอาไอ้อานาปานสติเนี่มาเกี่ยวบ้างนะเอาไอ้เรื่องของหลักไตรลักษณ์นี่มาเกี่ยวบ้างเนี่เอาสูตรมิจฉาทิฏฐิสักายทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิสมสูตรนี่แผงไตรลักษณ์นี่มาเกี่ยวบ้างแหมนิรุติขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่รู้ก็อาตมาก็ยังไม่เก่งนะขออภัยถ้าผกคุณพูดกันขนาดนี้ก็ยังไม่รู้อยู่อาตมาก็ยังไม่เก่งอีกนี่แหละ ไม่เก่งที่ทําไมนะมันไม่เข้าใจมันชัดชัดชัดอย่างก็ไรดีมันไม่ชัดเท่านี้มันก็น่าจะรู้แล้วอันนี้มันชัดจนเอตามันบอดเท่านั้นแะไม่เห็นนะเอตามันบอดเท่านั้นแะไม่เห็นนะมันอาตมาว่าอาตมาพูดจนง่ายขายของที่ความมาจนกระทั่งง่ายแงย่แง่แล้วนอะอ่ะ ทำสิ่งที่ลึกมาให้ตื้นจนกระทั่งถึงต้นแล้วอาตมาว่างั้นนะแล้วมันไม่รู้ยังไงเพราะฟังดูดีๆอาก็สรุปนะเวลาพอสมควรก็ตั้งใจว่าจะอธิบายพอสมควรสรุปว่าไอเรื่องพระไตรลักษณ์เนี่ยหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาสามตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่ในโลก แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะรู้มันหรือว่าเราจะมีสภาวะนี้ถูกตัวลงตนได้ง่ายๆอย่าประมาทเราจะต้องเป็นผู้ที่รู้ความสําคัญในความสําคัญการบรรลุไตรักการเห็นพระไตรักที่แท้จริงไม่ใช่ของหมูๆบนอย่างที่เขาบอกว่านั่งรับตาไปอู้เห็นพระไตรักษเกิดเห็นอะไรแต่หลายที่เขาพูดกันอาตมาได้ยินมาบ่อยพวกนัปฏิบัติธรรมก็คุยโม ง, ขงเขาพวกสายนักคิด ไม่ใช่นั่งหลับตากขาบอกโอ้โหใจรักมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องอันนี้จังไม่ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่มีตัวไม่มีตนอะไรละ่ะนะไม่มีตัวไม่มีตนพวกนี้อุดเฉพวกนี้เอียงไปในข้างที่ไม่มีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเอียงไปในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าอับตาประเภทเจโต ไปนั่งหลับตาเข้าแล้วก็ปั้นสีปั่นแสงปันอะไรก็เห็นว่าโอยเป็นยิ้มยิ้มยั บ, ย บ, ยบเป็นอย่างนั้นอธิบายเธอฟังไม่ได้ตัวต้องนั่งหลับตาเขาไปดูเองแล้วก็บอกว่าี่เห็นไตรลักษณ์เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วไอไตรลักษณ์มันเป็นยังไงอ้อธิบายไม่ได้อัตมาว่าเอออัตม า, ามีภาษาอธิบายแล้วละ่ะและภาษาก็อาศาัยอาภาษาของพุทธเจ้าดยอาศาัศร์รสอร่อยนะ่ะแปลเป็นภาษาไทยว่ารสอร่อยนะ่ะ คุณเคยมีรถอร่อยไหมมีไม่เคยมีรถอร่อยไหมพูดอย่างนี้รู้ไหมว่ารถอร่อยเป็นตัวตนยังไงไม่มีเป็นตัวตนแต่รู้ใช่ไหม ร, ร, รู้แน่นะคเคยจับได้นะคเคยฆ่าลงไปให้จางคลายได้สักสิ่งสักอย่างไหมคเคยดับสนิทมีไหมสักตัวมีใช่ไหมเออคิดเอาแต่ละคนนั่งมาคิดเอาหาสิ่งพิสูจน์จริงๆสิ และมันมีฐานชั้นบอกแล้วมันมีฐานชันนน้นของพระอริยะแต่ร ะ, ระดับมีสมุติสจักคนละอย่างคนละอันพูดกันก็รู้เรื่องว่ามันต่ํามันสูงกกันเพราะฉะนั้นอย่างหยาบมันก็หยาบฐานตั้งแต่อบายยมุขฐานตั้งแต่กามตั้งแต่กามราคะสังโยชนปฏิฆะสังโยชน์ตั้งแต่โล ก, กธรรมโล ก, กธรรมหยาบก็หมดไปแล้วเหลือแม้แต่ฐานจิตในจิตหรือฐานธรร ม, มรมในธรรมรมฐานอัตตาชั้นสูงเราก็ต้องรู้ไปอีกแล้วก็พยายามล้างอีก มันเป็นอัศาธาลูกเดียวกันอัศาธาลูกเดียวกันตัวนี้นี่แม่มันน่าอัศาธาตัวนี้พวกเราฟังเคยฟังมาเข้าใจดีแล้วอัศาธาตัวนี้คนไม่เข้าใจก็แสดงว่าไม่ใส่ใจทำพอพูดมันมาจะปกักเปลี่ยนปกัปกแฉ่แล้วเข้ามาอัศาธาเนี่ยเราต้องเห็นโทษเห็นภัยของอัศาธาอัศาธาอาทีนวะนิสรณะสามตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่า อัศธาคือรสอร่อยอาทีนะวะคือเห็นโทษของมันไม่ไปจะเห็นว่ามันเป็นคุณเป็นของน่าเสพน่าได้น่ามีไม่ใช่อัศธาเป็นของมีโทษอาทีนวะต้องเห็นมันเป็นโทษมันเป็นทุกข์มันเป็นภาระมันเป็นความเหน็ดเหนื่อยมันเป็นความยุ่งมันไม่จริงเมื่อพ้นความไม่จริงมันก็ลางหาศีลหาพทษมาลางลางได้จริงๆนิสรณะก็หมายความว่าธรรมะอันเป็นเครื่องขับออก เมื่อมีธรรมะอันเป็นเครื่องขับออกขับมันได้มีศีลเพจนั่นเองหรือมีกรรมวิธีนั่นเองมีอิทธิวิธีนั่นเองดับมันออกฆ่ามันตายได้ได้ได้คุณก็จะถึงอนัตตาเมื่อคุณมีอันิีจังเพราะรู้เพราะเห็นมีศีลพลดฆ่าเป็นอริยสัจเห็นเป็นอริยสัจรู้เป็นอริยสัจว่าไม่ทุกข์หาเหตุดับเหตุดับทุกข์ดับได้ทั้งเหตุดับได้ทั้งทุกข์คุณจึงจะเป็นอนัตตาไม่ใช่ว่าคุณเห็นใจรัก นั่งหลับตาไปเห็นไตรลักษณ์เกิดดับเกิดดับเกิดดับโอ้โหเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่แท้ไปจินตนาการเห็นแสงสีมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดดับแสงสีมันเกิดแล้วเกิดดับอย่างที่เกิดขึ้นเกิดดับอู้เห็นแต่ละอธิบายอู้หลายอย่างเห็นไอ้นุ่นดับไปนี่ดับดาวเป็นแตรลัหมดเลยนั่นไม่ใช่ความหมายนั่นไม่ใช่สิ่งที่หมายสิ่งที่หมายก็คืออัาทะคือกิเลสนี้นะอันเป็นสิ่งที่ไม่จริงคุณพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นสิ่งไม่จริงเพราะคุณไปลงเป็นสุข ที่จริงไม่ใช่สุขนี่คุณจะเข้าใจได้มันมาพัวพันกันหมดแม้แต่อริยสัจแม้แต่อะไรต่อใดแท้ๆไม่จริงมันเป็นตัวทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์มันไม่เที่ยงแม้แต่คุณเสพสุขหลงสุขยังมันยังไม่เที่ยงเลยบางคนก็รู้สึกเหมือนกันงงเหมือนกันบอเอ๊เคยเสพสุขนี่นะจะว่าสุขในอบายามุกในบางทีมันก็ทุกข์ๆนะไปนนั่งเล่นภัยในบางทีจะตายจะเป็นมะทโธปวดหลังปวดเอวจะตายชักกินไม่เป็นอันกินนอนไม่เป็นอนอนสุขอะไรของมันวะมันไม่เห็นจริงไม่เที่ยง บางทีก็สนุกดีสนุกดีบางทีไม่ได้รสใน้ชาติเล อ, อไปนั่งเล่นออาบายยบุกไปนั่งอะไรต่อะไรนี่แม้แต่เรื่องต่ําแบกที่ไปกินเหล้านี่ไม่เห็นได้ทาเสียของเสียดายเวลาด้วยบางทีไม่เที่ยงไม่จริงแม้แต่เรื่องอื่นๆที่อธิบายซ้ําซากมาแล้วแม้แต่กามามีทุนอย่างนี้ก็ไม่เที่ยงนะเมื่อเราเห็นแท้แล้ว ล, ลองหาอะไรเที่ยงกว่านี้หยุดสิมันเป็นรถมายา มันเป็นเรื่องมายาที่หลอกลวงมานานแล้วเมื่อคนนั้นเห็นชัดเจนเห็นของตัวเองนะเพราะงั้นเราตั้งใจจะดับอะไรก็ของอันนั้นที่เราเชื่อมันเกิดศรัทธาเกิดฮิริเกิดโอตปะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นพระหุสัจจะทําได้ทําได้ทําได้เกิดอริยสัจเกิดพระหุสัจจะเกิดพระหูสัจจะสูงขึ้นสูงขึ้นดับทุกข์หรือคลายทุกข์คลายทุกข์คลทุกข์หมดเนื้อหมดตัวมันลงอนิจจังวิราคานิโรดนิโรดนิโรดลงนิโรดลง จนมันหมดเนื้อหมดตัวจนมันหมดสิ่งนี้จริงมันไม่ใช่รถใช่ชาแท้คุณจะเป็นคนบอกได้แล้วอ๋อความเป็นอนัตตาเป็นตัวอย่างนี้เราจะเห็นความเป็นอนัตตาโดยที่มันเป็นความไม่มีอย่างนี้ไม่ใช่อย่างที่หลายๆคนพูดง่ายๆเพราะคนที่มีอนัตตาในตัวจริงแล้วถึงจะไปบอกไปฟังคนที่เขาโมแต่ภาษานี้ได้สักดีๆแล้ววนเลอะเลยยไปสักดูดีๆที บอกยตัวอย่างให้เราฟังได้ไหมสักอย่างอนัตตาที่ว่าเขาไม่มีไม่มีหลักฐานพูดไม่ค่อยถูกนะราะถ้าเพราะว่าเข้าใจได้อย่างนี้แล้วจะมาอ่านสูตรมิจฉาทิฏฐิสูตรของพระพุทธเจ้านี่ก็ดีมาอ่านสักส ก, กายทิฏฐิสูตรของพระพุทธเจ้าก็ดีอ่านแม้อัตตานุทิฏฐิสูตรของพระพุทธเจ้าก็ดีก็จะเข้าใจได้ชัดว่าท่านแยกอนิจจังนั้นหแยกทุกขังนั้นหนึ่ ง, แ ย, ง, นนงแยกอนัตตานั้นหน และท่านรับรองพ้นสักกายะเป็นพระอริยะเป็นอริยสั์ท่านยังไม่รับรองแม้ผู้พบอนิจจังพ้นบิชาทิฐิเป็นสัมมาทิฐิได้อย่างเดียวแต่ยังไม่ได้ลงมือดับทุกข์คุณยังจมอยู่กับทุกข์และคุณก็ยังเสพสุขคุณก็เสพทุกข์คุณมีสุขคุณจึงมีทุกข์เพราะคุณหลงสุขคุณจึงมีทุกข์เพราะคุณเสพสุขที่จริงสุขมันเป็น อริกะมันเป็นความต่อแหล่มันเป็นความหลอกลวงสุขมันสุขอิกะมันไม่ใช่ของจริงทุกมันเป็นของจริงทุกมันเป็นอริยสัตว์คนอยากว่าพระพุทธเจ้าคนพบนะว่ามันเป็นตัวทุกอริยสัตว์มันไม่ใช่ของจริงที่ไม่ใช่ของจริงก็เพราะว่าพิสูนได้ว่ามันดับได้ตายได้แต่ตัวคนไม่ตายคนกลับเป็นผู้ประเสริฐใครดับอัาธาได้คนกลับไม่ตาย เป็นอมตะบุคคลเป็นคนประเสริฐที่ควรมีในโลกเพราะโลกมีคนอมตะหรือคนประเสริฐเพราะดับไอ้พวกนี้พราะดับทุกพ่อดับอัศาธเพราะดับสิ่งที่ควรดับได้เพราะการตายสนิทแห่งกิเลจจึงเป็นความเกิดของคนอมตะหรือความเกิดของอัจฉริยะบุคคลความเกิดของบุคคลเก่งบุคคลพิเศษเป็นประโยชน์ต่อโลกมาก เป็นประโยชน์ต่อโลกมากพระบุญญาถึงยืนยันว่าเป็นพระหุชนาหิตายะพระหุชนะสุขายะเนี่ย อ, อ, อัตมาคิดว่าได้เขียนแทเ้ิร์นได้เขียนตัวหนังสือเล็กๆน้อยๆไม่มากนักเนี่ยแล้วก็ได้อธิบายไปในเวลาสองชั่วโมงแล้วก็คิดว่าตัวหนังสือเหล่านี้สําหรับผู้ที่เป็นพระโยคาวาจรหรือเป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาภาษาเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวภาษาบาลีหลายตัวและมีความหมายหลายๆอย่างที่เราเคยศึกษามา เคยรู้เคยจําได้เคยเข้าใจอย่างหนึ่งวันนี้มามีความเข้าใจที่อาตมาพยายามที่จะเอามาผูกร้อยกันแม้แต่ในภาษาของปฏิสมุบบาทอาตมาก็อธิบายไปพรางแต่ไม่ได้เขียนลงในนี้เลยมันก็เป็นส่วนที่ยืนยันได้เอาอื่นมาประกอบกว่านี้ก็ได้อีกก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราที่ได้ตั้งใจฟังพอสมควรไม่มากก็น้อยและคิดว่าพระโยคาวจรจะเลื่อนชั้นฐานะขึ้นบ้าง มันมีความจําเป็นแล้วเกินที่อาตมาจะต้องเลื่อนชั้นพระโยกาวาจรขึ้นมาอาตมาแก่ลงแก่ลงแล้วก็จะนับวันถึงหลุมฝังศพไปได้ไวขึ้นไวขึ้นนับวันก้าวไปหาหลุมฝังศพเลยพวกคุณก็จะนั่งแป้นอยู่ที่เก่าไม่เดินมาอีกอยเลยอยู่เลยอยู่เล ย, ย, เลยแล้วนี่จะยังไงไหวแล้วผู้คนก็นับเห็นดีเห็นชอบมากขึ้นมากขึ้นดังที่มันพิสูจน์กันอยู่แต่พวกคุณก็ยังจะทําให้เกิดลดศรัทธา ว่าก็ว่าได้ขอเปิดโปงกะเปิดโปกลางบ่นหน่อยเถอะเรียกว่าถ้าเผื่อว่าอย่างเป็นคนแล้วละอายใจเหลือเกินที่พวกเราพโยคาวจรไปทำศรัทธาลดทำให้คนอื่นเขาลดศรัทธาทั้งแต่ที่เขาพยายามที่จะเพิ่มศรัทธาแต่พวกเราหลายคนที่มีส่วนที่บกพร่องที่มันแหมมันอาตมาเองนี่มันต้องลึกถึงตัวเองว่าตัวเองนี่แหมมันไม่เก่ง มันช่วยพวกเราเนี่ยมาให้เป็นผู้ที่จะทําประโยชน์ให้คนคนอื่นได้แทนที่จะมาสร้างศรัทธากลับมาทําศรัทธาลดเราก็ไม่เก่งเราก็ไม่เก่งเพราะฉะนั้นอาตมาจะตายก็ไม่ว่าอาตมาจะฟิตละ่ะอาจะมาจะทํางานใครจะห้ามไม่หยุดนะถ้าอาตมาทํางานแล้วพวกคุณไม่รับทําไม่พยายามที่จะปรับปรุงตนให้สูงขึ้นสูงขึ้นอาตมาก็คิดว่าอาตมา จะลงโทษตัวเองลงไปอีกก็ไม่ไหวละมันต้องลงโทษคุณบ้างอะอัตมาก็พยายามเจตนาดีจะพากเพียรจะสอนจะอบรมจะพยายามดึงกันทึงกันขึ้นมาอีกแล้วเมื่อไม่เลื่อนชั้นก็ก็ถือว่าไม่กตันยูพระพุทธเจ้ามังเลยหรือไม่แต่ไม่กระตันยูอัตมามังเลยไม่ช่วยกันเลยก็จะแย่ขณะนี้าศาสนาเราติดแล้วคนรู้แล้วกําลังมาเอาและพวกเราผู้ที่จะเป็นผีเลี้ยง พูดแต่จะเป็นครูพูดแต่จะเป็นหลักแกนเนี่ยถ้าไม่เพิ่มภูมิภูมิแค่นี้ก็มันมาแค่นี้มันสู้เขาไม่ได้แล้วภูมิคุณแค่นี้นี่ยสู้ไม่ได้แล้วในพวกนี้เขาจะมารับเอามากมายนีย่เขาจะมาปล้นมาจี้เราแล้วคุณไม่มีคุณสมบัติพอแล้วมันต้องเก่งกว่านี้มันจึงจะช่วยเขาได้เท่านี้ช่วยไม่ได้นี่เราพิสูจน์ขึ้นทุกวันนี้เนี่ยมันมิเตอร์มันบอกอยู่ทุกวเวลาเฉนงานปลุกเสกพุทธาพิเศษนี่มาเป็นต้น สัญญาณภัยมันบอกต้องไปรู้จิตกลิงคุณเห็นไหมไมันไม่ใช่พราะคณอื่นเราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันคุณด้วยถ้าเราจะเป็นหมจะลงโทษคนอื่นไม่ได้เราต้องลงโทษตัวเราเราต้องพยายามเคี่ยวเข้นตัวเราเอาตัวเรานี่ให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นเราก็ได้ด้วยที่จริงนะ่ะหรือเราหลงตนว่าเราเป็นพระอาหารหันต์แล้ว แต่ถ้าอารหันขี้หมาอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านะมันต้องอรหันที่เรียว่ามันต้องบริบูรณ์สูงส่งถึงขนาดที่มันยิ่งยิ่งขึ้นแม้แต่พระอระหันก็ยังมีอภิน ญ, ญามีปฏิสัมพิธาสูงขึ้ น, ส, นสูงขึ้นอีกที่จะช่วยบุคคลอื่นได้มากยังจะมีกูอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะมีโพธิสัตว์มีโพธิคุณอีกตั้งมากตั้งไม่ไปกลัวอะไรเราต้องเพิ่มภูมิขึ้นเข้าใจให้ได้ว่าเราเกิดมาเนี่มันเกิดมาตายเป็นธรรมดาธรรมชาติ แต่ไหนแต่ไหนแต่เกิดมาแล้วเราสั่งสมคุณค่าความดีความมีประโยชน์ของตัวเราเองได้นี่ตั้งหาเกิดมาเป็นคนไอ้เกิดมาแล้วไม่ในความเป็นคุณค่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแก่มนุษย์คนอื่นเขาเลยมากำมากินสูบดื่มเสพก็โมฆะบุรุษเราดีดีนี่ทิงหมามันเกิดให้หมาบางตัว ม, มันมาเกิดมันจะดีกว่านี้มันเกิดทําไมมาแย่งร่างนี้ทําไมให้อีด่างไอ้ดำนนท์มันมาเกิด ดีกว่ามันอาจจะดีกว่านี้นี่พระโพธิลักษณ์ก็อย่างนี้อโมฆะบุรุษมันแปลว่างั้นมันเปล่าได้นอกจากเปล่าได้มันก็ยังดีนะไม่ทําบาปทํากรรมบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีก็ยังดีนี่ซ้ำมากินบุญตัวเองแล้วก็มีบาปซ้ําเข้าไปอีกมันไม่ใช่โมฆะแล้วมันประเภทผีนรกเกิดมาอาศัยร่างนี้ได้รับนรกมากกว่าเก่าลงไปนี่ซวยมหาสวยอีกไอ้โมฆะบุรุษก็ยังไม่เท่าไหร่ ไอ้ซวยตรงที่มาสร้างบาปสร้างเวรสร้างภัยสร้างกรรมให้กับตัวเองไปอีกเนี่ยมันแย่เพราะเกิดมาเป็นคนเนี่ยจะมาแข่งขันกินสูบดื่มเสพหาลาพหายศแข่งกันเนะ่ยเขารู้ตั้งแต่นานแล้วล่ะลุงไม่ต้องสอนไม่ต้องบอกก็มาแย่งราบมาสร้างราบสร้างยศแข่งกันเนะนี่ยนวลไปเดินไปที่ไหนก็ได้มุมไหนของโลกก็เหมือนกันหมดตั้งแต่ขั้วโลกเหนือยันขั้วโลกใต้ตะวันออกจดตะวันตกคุณไปดูทีเหมือนกันหมดนะี่ย มันมีปาดเอกพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละมาสอนโลกุตรธรรมมาสอนว่าไอาย่างงั้นมันเอยเลองกิบพงเ่องกิบพงไม่ยิ่งใหญ่อะไรแล้วจะไปร่ารวยอย่างงั้นน่ะไม่ยิ่งใหญ่มหัดจนนี่สิยิ่งใหญ่มหัดลดจะยิ่งใหญ่มา ม, มีกิจกรรมการงานสามารถที่จะยืนหยัดอยู่กับโลกเขาทํางานกับโลกเขาได้ มีโลกวิดทูมีโลกทัศน์มีชีวทัศดใครเป็นยังไงก็สามารถรู้สามารถตื่นเป็นผู้ตื่นทันเหตุการณ์คําว่าตื่นคํานี้ไม่ใช่ว่หมายความว่าตื่นลืมขีตามาเถอะนะไม่ใช่ไม่ใช่ไ อ, อย้ยางงั้นมันง่ายๆใครมันก็รู้ไอ้เด็กสองขวบพรำขวบผ้าขวบมันก็รู้แล้วตื่นยังงั้นตื่นทันเหตุการณ์บ้านเมืองอลืมตาซะบ้างตื่นคําเนี้ คำว่าลืมตากไ็ไม่ใช่หมายคำ ว, ว่าลืมลูกตาเปิดหน้าเปลือกตาขึ้นเท่านั้นไม่ใช่เปิดเปลือกตาขึ้นเท่านั้นถ้าคนที่มีปฏิภาณหน่อยมันจะสูงกว่านั้นลืมตาขึ้นเห็นโลกทัศน์เห็นชีวทัศน์เห็นว่าเขาทุกข์อย่างไรเขาเดือดร้อนอย่างไรเราจะมีความสามารถอย่างไรที่จะไปแก้ไขเขาได้โดยไม่ต้องไปเ อ, อ, ปเอาลาบเอายศไม่ต้องไปเอาความเด่นความโด่งไม่ต้องไปเอาความดีงามอะไรมาจากเขาหรอกไม่ต้องแลกเปลี่ยนอะไร ทำให้เขาโดยบริสุทธิ์ใจทำให้เขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวก็ตามเราทําได้ช่วยโลกเขาไปช่วยโลกเขาไปนี่แหละเราเกิดเกิดมาเป็นคนค้าจุนโลกเป็นเมตตาค้าจุนโลกเราเป็นคนที่ช่วยเหลือเขาเกิดมาเรามีประโยชน์กับโลกไอ้มาแย่งลาบแย่งยศแย่งสรรเสริญอย่างนั้นน่ะไม่ต้องพูดไปทําทําไมคุณเกิดมาชาติไหนก็ทําได้อย่างนั้นน่ะชาตินี้มาพบพระโพธิละก็ไปขอสักชาติเถอะ ชาติไหนไม่พบพระโพบธิลักษณ์ไม่มีคนพูดอย่างนี้ก็มันก็ไอ้แย่งราบยศสเสริญ น, นั่นแหละคุณเชื่อไหมหรือไม่พบพระโพบธิสัตว์เจ้าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจะพาเป็นมันก็มาแย่งราบยศเสริญอยู่บนั่นแหละมันไม่ใช่ของอย่า ง, งใหญ่อะไรเลยอย่างดีก็เป็นศาสนาแบบบางอย่างให้มีการยา น, นชนให้มี สงสารเขาช่วยเหลือเขาหน่อยนะ่าก็กินสูบเดิมเสร็จมีผัวมีเมียมีอะไรแต่ใดไปเ ง, งี้ยตอนมันเหนือธรรมชาตินี่ไม่มีผัวมีเมียนี่มันสุญยตาดีมันมีอนัตตาชัดชัดได้มันมีตรใยรักที่แท้มันเป็นการเหนือธรรมชาติไอธรรมชาติแบบโลกแบบนั้นมันมีมาแต่ไหนแต่ไหนโลกจะแตกอีกกี่ลูกมันก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดเห็นว่าเอานะถ้าเราเชื่อว่าการกฎแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่มันมีจริงชาตินี้มาเสียสละดูซิ พบพระโพธิลักษ์แล้วนี่พระโพธิลักษ์ธนวงงังนี่ขอพิสูจน์ด้วยพิสูจน์ดูสิถ้าคุณเชื่อว่ากดเวียนว่ายตายเกิดถ้าชาตินี้พิสูจน์อาตมาแล้วมันไม่ได้ทาชาติหน้าก็ยไปยังกันลาบเยอสันเซินกันใหม่ขอชาดหนึ่งมามาดูสิไม่รู้ในใจใครใจะยอมไม่รู้นีน่บอกปิดโถ ม, มันยังอัดสาทะดนดีมันยังรสอร่อยดีดีผมขอชาตินี้ให้ผมก่อนเถอเดี๋ยวชาดหน้าผมได้ไปเกิดเป็นหมาได้่ปเดี๋ยวไม่ได้มาเสพถ้าคุณมาเนี่ยมาอย่างอาตมาพาทําและพาเปลี่ยนจริงๆ จะมีเครื่องประกันด้วยว่าคุณชาน่าจะไม่เกิดเป็นหมาแต่ไอ้คุณไปนั่งเสพอยู่นีซีินแน่อะไรชาติน่าจะเป็นหมาไม่รู้ไปนั่งแย่งลาบยนเส้นเสริญอยู่นะนะั่นแหะชาติน่าจะเป็นหมาไม่รู้จริ ง, รงๆนะิ่าจะบอกให้ถ้าอย่างนี้สิยังมีหลักประกันว่าชาติน่าจะไม่เป็นหมามาภาคเพียมาอุตสาหาวิริยะเนี่ยมีศีลมีพจน์ปฏิบัติไปอ่ามีสังวรศีลสํารวมอินทรีย์โพชเนมตัญยุตตาชาคริายานโยคะ เกิดสัจธรรมเจ็เกิดฌานเกิดวิชาอะไรเงี้ยอาตมายังกล้ารับรองว่าถ้าภาคเพียงกันถึงขั้นถึงที่แล้วเจดปีก็ยกไว้หปีก็ยกไว้ห้าปีก็ยกไว้อย่างนี้มาลองกันอะอยังจะเข้าท่าอาตมาว่าจะไม่โมฆะบุรุษได้จะไม่เป็นนี่บาปเลยยังจะดีว่าคุณจะไม่เป็นยังรับประกันว่าจะไม่เป็นหมาแต่คุณอย่าไปแย่งราบยังยบ ย, ยังสรรเสริญกันอยู่นั่นนะ ยกมือสิใครกล้ารับรองว่าประชาชนน่าจะไม่เป็นหมาเครื่องประกรันอะไรมึงคุณจะรับรองยกยกมือสิใครกล้าบาั้งเพราะทอจะเป็นหมาง่ายงไงนะไปได้แย่งเขาเดี๋ยวแย่งไม่ได้โกงก็เอาทุจริตก็เอาเดี๋ยวก็ฆ่ากันก็เอาแกงกันก็เอามันจะไม่เป็นยังไงมันมีไแต่จะพาังไปทางต่ําทั้งนั้นนะเพราะขอให้ฟังดีๆวันนี้อาตมาว่าอาตมาเทศในเรื่องนี้จะมีผลต่อหลายคนอ่า ถ้าเผื่อว่าเป็นไปด้วยจริงคนที่มีปฏิภาณและคนที่มีสานึกดีจริงๆในวันนี้ฟังธรรมแล้วจะรู้สึกบางคนอาจจะเลื่อนชั้นฐานะถึงขั้นวันนี้เป็นอรหันต์ได้จากอนนาคามีแทงทะลุพระไตรลักษณ์จริงๆเลยพาดผ่านปฏิสมุบบาทปฏิสมุบบาทเป็นคุณธรรมมันไม่ใช่ภาษาพูดเอามาพูดกันเล่นชอตๆไม่เข้าเรื่องไตรลักษณ์เหมือนกันอริยสัจเหมือนกัน แม่พูดกันจริงเลยโอ้โหเก่งยอดเยี่ยมแต่ถามศีลไม่รู้เรื่องถามกรามต้องตามตำตำถามอบาใบมุกถามของหยาบไม่รู้เรื่องเสพมันอยู่ตุยตุยอยู่งั้นนะแล้วยังไปพูดธรรมะชั้นสูงเออพระพุทธเจ้าท่านบอกบรรลุธรรมโดยชั้นสูงโดยชั้นต่ําไม่ต้องบรรลุมันได้ยังไงพูดแล้วพูดถึงยอดปราสาทหนึ่งแต่ตัวยังอยู่ใต้ถุนอยู่อยู่ในชั้นบันไดหนึ่งยังไม่ทันขึ้นไปได้ แต่พูดแล้โอยขูถึงกนะประสาทนั่นสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้อย่างเงินอย่างเงี้ยเงินในนี้อย่างา ง, างี้พูดอบิมารสวยหรูแต่ตัวเองก้าวจะขึ้นบันไดนี่ขึ้นไปชั้นสองชั้นยังไม่ได้ได้ก้าวเลยมันจะไปอยู่ประสาทได้อย่างไงจะไปได้ถึงจอดประสาทได้อย่างไงเนี่ยมันเป็นอย่างงี้ศา ส, สนาอ่ะ อาตมาเองอาตมาไม่เคยกลัวเลยใครจะว่าอาตมาต่ําอาตมาไปบรรยายธร ร, รมะในวัดมหาธาตุอาตมาพูดถึงเรื่องอบาเยมุกพูดถึงเรื่องกามเขายังมาเอ๊ะ e, พระองค์นี้มาพูดอะไรไม่เห็นพูดธรรมะเลยพูดแต่เรื่องยับยัอะไรก็ไม่รู้เขาว่าพวกเขาเก่งทั้งนั้นพวกเขายอดสูงทั้งนั้นพวก ว, วิมานทั้งนั้นเขาสัดตูมตูมอาตมาเขาน่ยยอดอภิธรรมโมหูจิตเจตสิกรูปลิพานล่อปฏิสุมอบาตอริยสัตว์อาตมาเออซัดกันเข้าไปสัดสัดนั้นอาตมาไม่พูดกับเขา อาตมาก็สาทายของอาตมาเนี่ยแล้วก็ได้คนมาตั้งเยอะพราะคนไปฝ่ายหามันมีอาตมาก็ถวยโอกาสดึงเอาผู้สแสวงหามาได้จํานวนหนึ่งไอจํานวนที่พวกบ้าคัมภีก็บ้าไปอยู่งั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังบ้าคัำพีอยู่แถวพระมห า, าธาตุเยอะไปก็อย่างนั้นอะไปดูสิยังขมขมอย่งงั น, นเยอะแยะไปแต่พวกเราก็สบายมาสบายมาพวกที่ไลมาเนี่ยไลติดมาตามมา บางคนก็ตามติดบางคนตามไม่ติดก็ไล่มาเงี้ยแล้วมันก็ยังจะเดินหน้าไปเรื่อยๆพิสูจน์ไปเรื่อยๆอาตมาพยายามพาไปในเทียบอิงทำอิงวิ น, นัยแม้อาตมาจะไม่ชํานาญทำวินัยมาในตัวหนังสือในบัญญัติอาตมาก็มีญาณอาตมาก็ทุกคนเปิดโอกาสอาตมาไม่กลัวเลยทุกคนจะอ่านพระตไตรปิฎกทุกคนอาตมาไม่กลัวอาตมาอ่านนะรู้ บางอันบางอันเราต้องแก้ไขความหลายอย่างเอาเองแล้วเราก็ยังไม่อยากค้านเขาไปค้านเขาก็ตีโอตายอะไรกันปอเรียนไม่ได้เรียนมาสักตัวเขายังหาว่าเราแปลนาตะโถเลยหาว่าแปลนานาโถนี่เป็นนาตะโถเขาอย่างหาว่างั้นเลยเขาว่าว่าพราะเขาเองเป็นปอเรียนชั้นหชั้นเ็ชั้น8ชั้นเก้าเขาเรียนมาจริงๆทํามาหากินเลี้ยงชี้ของเขามาได้โดยปอเรียนนะอาตมามีปอเรียนหากินเงินอะไรเขาได้ ไม่มีป ร, ริยญหากินเงินแล้วมาแปลบาลีงี้แล้วก็ยิ่งไม่ได้เงินด้วยมันยิงไม่มีอะไรไปแข่งกับเขา อ, อ้างกับเขาได้เลยเพราะยิ่งแปลยิ่งเสียเงินอัตมา ย, ยิ่งทำยิง่งยิ่งพิมพ์หนังสือต่างๆไปเนาะอธิบายไปแปลไปเนี่ถ้าเป็นเขาได้ค่าล็กสิทธิ์ค่าพิมพ์เล่มหนึ่งหลายตังเงี่ยเนี่ยอัตมายิ่งทํานี่ยิ่งไม่ได้ตังเขาเลยมันจะไปสู้เขาได้อะไรเขาก็ยืนยันของเขาไปที่เขาว่าเขาเก่งกว่าว่าคนมองคนละทาง คนมิจฉาทิฏฐิคือคนมองคนสวนทางกันคนเห็นอันนึงเป็นสุขเห็นอันหนึ่งเป็นของเลิศอาตมาเห็นว่าการไม่มีเงินเป็นของเลิศเขาเห็นการมีเงินเป็นของเลิศเขาก็เอาการมีเงินมาเทียบอาตมาเขาก็ชนะวันยังคําเพราะมันเป็นของจริงใช่ไหมเขามีเงินแล้วเขาก็ได้เงินเขาเอาว่นี่ง่ายฉันทําจะมีเงินฉันได้เงินคุณทําคุณไม่เห็นได้เงินเลยแม้มันจริงๆแล้วก็แพ้เขาอย่างสนิทเหมือนกันเพราะเขายืนยันแล้วว่าจริงแต่ถ้าใครมีปัญญารู้ว่าไอ้อย่างนั้นมันจะไปเก่งอะไร ไอทำนี่จะเสียสลายแล้วก็ทําให้เขาได้ฟรีๆอย่างนี้มันเก่งกว่างี้ก็คนต้องมีปัญญาต้องเกิดญาณจึงจะเข้าใจกันได้คนไม่เกิดญาณร่วมกันไม่รู้พูดให้ตายมันก็ไม่รู้เรื่องอยู่นั่นแหละภาษามันก็ซ้ําแซะ บ, บ, บนวกเวียนไปงั้นนะฟังแล้วก็ขออ้วกอะไเถอะมันเวียนหัวหนักเข้าว็เท่นั้นเองมันจะไปได้เรื่องอะไรเพราะมันจึงเป็นเรื่องยากอ่ ที่จะทำให้คนที่ไม่มีญาณไม่มีดวงตาไม่มีแสงสว่างไม่มีปัญญาเนี่ยให้เขารู้เนี่ยได้ยากเราเองเรารู้เราพยายามช่วยเขาเถอะนอกจากจะช่วยเขาแล้วก็พวกเราใส่ใจช่วยตัวเราเองนี่แหละไม่ใช่ช่วยใครนะเนแต่มาก็ขอปลุกระดมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหยุดในการบรรยายธรรมวันนี้เพราะงั้นในตอนช่วงหลังนี้ก็ขอบอกกลอ ง, งว่าปลุกระดมนะปลุกจิตของขุณให้มัน พึกเฮิมขึ้นมาในการที่จะเอาใจใส่มีชันทะวิริยะจิตตวิมังสาขึ้นมาบ้างอย่าหลงแช่อิ่มปริ่มอยู่แต่แค่ฐานที่เราได้เลยอาตมาพูดมาแรงนานแล้วว่ามันเป็นลิงได้แป็นแต่มันก็นั่งอยู่ก้นดานหมดแล้วนะมันเป็นลิงอะไรนะอ้ลิงก้นดานนี่กน้นลิงอะไรลิงกังเหร อ, อคุไปดูรูกลิงกลังหน่อยเดินนะเพรานั่งเป็นแช่เงี้ยนะโอ้โหก้นดานแข็ง มันได้ลิงได้แป้นดูแค่นั้นเองมันไม่เขยบฐานขอให้เขยบฐานเถิดจะได้ช่วยาศาสนาบ้าง น, านไหนๆเราก็ได้อา น, นิสงส์จากาศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วอย่ากลายเป็นคนอกตัญญูช่วยท่านบ้างาอาตมาพูดอย่างนี้ก็จริงก็มาช่วยอาตมาบ้างอาตมาจะอาเจียนเป็นโลหิตแล้วมันแย่แล้วมันหมดเรี่ยวหมดแรงลงไปทุกวันแล้วมันแก่จริงๆนะอาตมาไม่อยากแก่นะ ไม่อย่างหมดเรี่ยวหมดแรงนะมันหมดถึงบอกว่าอาตมานี่ต้องต้องยอมรับความจริงจะไปได้เด่นทำเป็นตัวเองแอดเป็นอายุสา3ส3บสาสิบห้าสาสิบหอย่ยังเก่าไม่ได้มันไม่สา3สิบหกสาสิบห้าแล้วเดี๋ยวนี้มันยันก็หา ห, าหลัก5้าสิบแล้วนี่สี่สิบ็ดแล้วนี่อีกไม่กี่เดือนในสี่สิบแแล้วอายุอ่ะ เห็นว่าหน้าตานี่มีคนทักเหมือนกันว่าเอ๊ะหน้าตาท่านไม่เปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่อยู่ทีวีเห็นยังไงอย่างนั้นหม ย, ยมันหลอกให้เราหลงหลงจริงๆเขาว่าไม่เปลี่ยนแปลงเลยใครบอกว่าที่อยู่ไปไอ้นั่ น, นไปสุลลุมอ่ะใครใครรับฟังมามีผู้หญิงคนหนึ่งเห็นเขาบอกว่าเห็นอาตมาเป็นหนุ่มตอนนี้หนุ่มกว่าตอนนั้น อ้วนกว่านั่นจริงตอนนั้นผอม อ, อันนั้นจริงตอนนั้นน่ะผอมจริงดนนี้อ้วนกว่าจริงไอ้หนุ่มกว่านี่แหมหัวเราะกันเกลียวเลยเห็นไหมโอ้โหหน้าตาหนุ่มกว่านั้นเนี่ยจะมาหลอกให้อัตมาหลงหลมอย่างนี้สิบกว่าปีแล้วนะมันจะมัหลุมกว่าดวได้ยังไงอ่ามันไม่ได้มันเป็นจริงเอาเธอสังขารร่างกายมันอาจจะบริบูรณ์สมบูรณ์มันมีความสบายใจ มันมีความเบิกบานใจไม่ไม่เหมือนขนลกโล ก, โลกมันก็จริงอัตมาก ร, รับว่าจริงนะมันสบายใจมันก็จะว่างั้นมันไม่แก่เท่าแบบขนลกโล ก, โลกคลําเคลงกรอบหมายแต่ก่อนนี่กรอบนั่นหน้านีา่ดูปนงี้มือยี่ขึน้นแสนเขียวแต่ก่อนเนี่ยเนื้อตัวเนี่ยมันมันคล้ำนะมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้หรอกเดี๋ยวนี้มันก็ผ่องแพ้ว ก, กว่าหน่อยก็จริงอยู่ แต่แก่นะคุณเขาว่าไม่แก่เขามันมองเผินนะแกเพราะขอให้พวกเราเนี่ยอยากคิดอาตมาเองอาตมาไม่จะอยากอยู่อยากตายอะไรหรอกแต่มันเป็นสัจจะมันเกิดแกเจ็บตายมันเดินทางไปสู่ลุมฝังสมมันเดินไปจริงๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราได้พักเพียนเราอยากให้มันเป็นโมฆะไหนๆเราก็ได้สิ่งที่ได้มาพอสมควรแล้ว สิ่งที่สูงที่สุดขณะ น, นี้ที่เราเองไม่ใช่สูงสิ่งที่ร้ายความสำคัญสูงสุดขณะ น, นี้ตัวร้ายที่เราจะแก้เนี่ยคือฐานที่เรายึดเราได้เสพพวกเราได้อาตมาขอยืนยันผมคือขอยืนยันพวกเราได้พวกคุณไม่ได้ฐานเสพไม่มีมรรคไม่มีผลอันนี้พวกคุณอยู่ไม่ได้นะ่าขอท้าพระพุทธเจ้าท่านยืนยันไม่มีมรรคผลยืนอยู่ไม่ได้คูด ที่ไหนฟังรอบท่วในเนอะรอบจังหวัดรอบประเทศขณะนี้สิว่าอาโศกนี่ไม่ขูดไม่รีดยังไงแต่ไม่ใช่ภาษาคาว่าขูดรีดเหมือนก็อย่างทั้งโลกคนนะขูดรีดเคร่งนักและอยู่ในนี้ก็จะรู้เองว่าเครียดเคร่งแต่ไม่เคร่งเครียดหรอกคือเคร่งพยายามกระทาอย่างที่เรียกว่าพอทำได้ทีเดียวพอเขาเรียกว่าเขากลัวกันพอสมควรทีเดียว ไม่ใช่ว่าเป็นของที่ทาได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายนะไม่ใช่มาจะทนได้ง่ายๆนะเพรา ะ, ะนั้นยิ่งพวกคุณรู้สึกว่าพวกคุณไม่ไม่ได้ทนอะไรนียก็รู้เถอะว่าเราเองเรามีมักมีผลถึงทนก็ก็ทนได้ไม่ยากทนได้ไม่ลำบากนอกจากกิเลสอุป ก, กิเลสของเราบ่แบบแบ บ, บ, บ, บมันเล่นงานเราบ้างเล็กเล็ก น, น้อยน้อยนอกนั้นมันก็ไม่มีอะไรจะทนทั้งนั้ที่ทคุณก็งอย่างเงี้ย กินกับวันลาห้นวัน ล, ละมือ้ออยู่กันอย่างกับเบียกกรเสียนบางทีก็ไม่ดูด้อยแลอะไรเลยบางทีจะป่วยไม่มีใครไปถามแต่คำเลยะจะกินจะนอนจะอยู่ยังไงนอนก็ดินกับทรายนอนจะไปจะม า, างไงก็ไปก็มาไม่มีหลักไม่มีแหล่งไม่มีอะไรตรใดีิคุณก็ยังรู้สึกว่าเออมันจริงนะมันอิสระด้วยมันดีมันมอเห็นด้วยญาณว่าอืมประเสริฐเห็นพระพุทธเจ้าท่านมาได้อย่างนี้หนอเห็นจริงๆมันเข้าใจจริงๆ คุณทนอยู่ได้เป็นเทน่านั้นปีเท่านี้ปีเท่านั้นปีทั้งท่านที่ไม่กะว่าจะเป็นเท่านี้ปีเลยบางคนอาจจะคิดว่าเออเราจะทนอยู่ได้แค่สปีสปีไ้่บางคนอาจจะนึกไปเออพเผือเก็มาสปีหปีเอ้มันก็สบายขึ้นสบายขึ้นนะบางคนจนกระทั่ทงป่านนี้เราก็แน่ใจเลยบอกเออเราอยู่ได้ตลอดชีวิตเราก็อยู่ได้นะจะขอถามดูสิว่าถ้าผมตายไปเดี๋ยวนี้คุณคิดว่าคุณจะอยู่ในบรประชิตเพศนี้ตลอดไปไหมคุณจะอยู่ได้เหรอ แตกอโศกแตกกลุ่มเลยคุณก็จะอยู่ได้ไหมได้เหรอถ้ามีบาตบริหารทองมีจีวรบริหารกายแป้นขนาดนี้หรือว่าฐานขนาดนี้แล้วนี่นะก็เร็วกว่าเราเนี่คือเขายัางอยู่จะตายไปพระในเมืองไทยเนี่ยทําไมเขาจะอยู่ไม่ได้โดยไม่ต้ไปหลอกเขาให้มันเป็นบาปเป็นภัยให้แก่ตัวก็อยู่ได้ได้ขอยืนยันเลยคุณธรรมแค่ไม่เด็ดขึ้นขนาดอย่างที่เราเป็นเขาก็อยู่กันนักหนาเพราะคุณธรรมขนาดนี้อยู่ไม่ได้หัวจิ้มขีมหมาตายไหม จริงๆคุณธรรมขนาดนี้อยู่ไม่ได้เนี่ยมันจะยังไงอ่จริงๆเป็นอย่างนั้นนะเพระาะงั้นก็เอาละช่วงที่สองปรุกระดมช่วงที่สองแล้วก็ขอพอที <c oughs> นะก็ให้พยายามตื่นตัวพังแล้วก็เร่งรัดขึ้นมั่งไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีเรี่ยวแรงรับเนี่ยเราได้พิสูจน์แล้วคนกําลังต้องการแสวงหาแล้วเขากําลังมาเรื่อยๆมากมากมากมากมา เพราะงั้นในขณะนี้ผมต้องรีบปิดผมประกาศแล้วที่สาลีโศกว่าจะไม่เพิ่มปริมาณคนที่จะมาปลูกเสกหรือพุทธาภิเศษอีกจะไม่มีวิธีการที่จะดึงคนให้มาเพิ่มนอกจากจะทํามาตรการคัดเลือกด้วยเพราะงั้นปลุกเสกปีหน้าพุทธาพิเศกปีหน้ามีมาตรการคัดเลือกเดี๋ยวผมจะประชุมกันอย่าวางสร้างระเบียบกฎสร้างอะไรอะไรอีก ไม่เอามากไม้เพราะเอเอะเฮฮาไปดีใจแต่ว่าโอ้ยขอให้ปริมาณมามากมากมากๆแล้วจะเอาปริมาณไปแข่งเข า, ย า, ยาอย่าอย่าอโศกไม่นิยมเอาใหญ่ไปตีคนเอาความมากความใหญ่ไปตีเขาไม่เอาเราต้องการเนื้อเนื้อนี่เนื้อมันชัจะฟั่มแล้วมันชักจะไม่ไหวแล้วไปแบกหามเขามีขึ้นแล้วพราะถ้าเราไม่เร่งรัดพวกเราไม่เอาตัวเราพวกเราเนี่เป็นพระเกจิอาจารย์หรือพัฒนาขึ้นมีเนื้อมีแกนเราจะหอบหามอีกไม่ได้ เราทำอันนี้ให้นันนนนันขึนนนนน้นแล้วเดี๋ยวเขาก็มาเอาเองคนสแสวงหายังมีอยู่อีกเหลือมีอีกมากขอให้เราจริงขนะดคนไม่เอาของเราไม่เน่าหรอกไม่เน่าขอให้เรามันดีจริงเหอะไอ้ที่เขาจะมาเอาแล้วก็ทำเป็นหุนแหมนหน้าใหญ่ใจโตอาขาพวาวะปีกแบนแบนตายอย่างเขียดเขียดอย่างเขียดนะเขียดมันถูกเหยียบอยู่บนกอหญ้า ตายังเขยดเลยเขามาหยียบย่าทับไปเลยมันไม่ไม่เหลือซากครับทำทำเห่อหมหาอย่างี้ไม่ได้เราต้องรู้ฐานะและรู้สถานภา พ, าพว่าเราจะต้องเตรียมตัวเพราะฉะนั้นผู้ที่มาเป็นพี่เขามาก่อนเขาแล้วเราไม่ได้พัฒนาตนเองสูงขึ้นกว่าที่เคยเป็นอยู่แล้วนี่ควรจะสานึกให้มากนะควรจะสำนึ ก, นกและควรจะเพิ่มฐานเรา คิดว่าอธิบายพระไตรลักษณ์อธิบายอันนี้ขึ้นแล้วคงจะได้จับหลักอะไรให้แก่ตัวเองได้อีกบ้างสำหรับผู้ที่เรียนรู้มีภูมิเนี่ยอธิบายอันนี้ไม่ใช่ของเล่นนะก็ขอจบการปลุกระดมด้วยละลอกที่สามครบไรครบสามราก็ขอเอวังนะนับบัตรนี้ไม่ต่ออะไรอีก